ตอตบคำถามข้อนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 4-6 วันที่ 22-24 มิถุนายน2559ตอนที่สองก็ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของพ่อครูนะที่จะได้พบกับพวกเราก็มีคำถามเยอะเมื่อคืนก็นั่งเปิดเลือกนะที่มันซ้อนๆกันก็คัดออกมา ก็ไปเร็วๆเลยนะเดี๋ยวมันไม่ทันทําไมเวลาเอสแอนดี D แล้วปวดต้นคอครับมันไม่เหมือนันทุกคนนะบางคนปวดหัวบางคนปวดต้นคอบางคนปวดขานะ ท, านท่านในพระเจ้าบอกเช่นนั้นเองนะมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วมันไม่เกิดขึ้นเลยลอยแล้วปวดโน่นปวดนี่ท้องอืดท้องร่วงนะมันมีไนยะของมันอยู่นะ แต่และคนต้องไม่เหมือนกันมันเป็นนานาจิตังเพราะทุกคนสร้างกรรมมาไม่เหมือนกัน s อ่ a เอสแอลดีนดีเนี่ยรักษาคนมาเยอะมากก็ครูเข้ากรุงเทพเรามีศูนย์ที่กรุงเทพนะลูกเดี๋ยววันไหนใครได้ไปกรุงเทพก็ไปพักที่ศูนย์กรุงเทพเราก็โดยเฉพาะคนในเมืองเนี่ยพวกเราเล่นคอมพิวเตอร์แล้วพวกนั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมเราอยู่ในโพสิชันคือว่าท่าน้นานเนี่ย กล้ามเนื้อเสียดนมันตึงหมดนะเป็นออฟฟิซินโดมเดี๋ยวเดี๋ยวโรคอย่างอื่นตามมาหมดเลยลูกนะพอเราเช็คแอนแดนอะไรเนี่ยมันได้ปรับสมดุลเปลี่ยนใหม่ในช่วงที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันก็แสดงอาการนะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายถ้าเราผ่านได้เนี่ยมันจะหายหมดนะครับเราเป็นใครเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรนะครับไอ้คำถามนี้เนี่ยง่า ย, ายแต่ ตอบว่าเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะ mm hmm. ก็คือเราเป็นใครนะเราเองถึงจะรู้เราเต้นไปเต้นมาเราข้ามพ้นชื่อเราเราไม่เป็นชื่อบัญชาละแล้วเรารีวายเข้าไปสู่อดีตแล้วเราจะรู้ว่าเรามาจากไหนแล้วทำไมมาเกิดในร่างนี้นะมีมีหลายคำถามนะที่ซ้อนๆกันอยู่แบบนี้นะก็ดีมากลูกมาถามแต่สุดท้ายค ำ, คำถามนี้เนี่ยต้องหาเอง นะส่วนเกิดมาเพื่ออะไรนะ่ะเกิดมาทําไมหนึ่งมาใช้นีิกรรมถ้ามาใช้นีิกรรมเฉยๆเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเสือกระต่ายแมวเนะี่ยเกิดมาใช้นีิกรรมแต่มันมันมันมั น, มนจเจริญภาวนาไม่เป็นเขาฝึกจิตไม่ได้เขาจ่ายนีิกรรมอย่างเียแต่เขากําไรชาตินึงหนงสกสมมติว่าเขาแบกกรรมมามาลอยชาติเขาเกิดมาชาตินึงเป็นหนูนะ มันก็ดำลงชีวิตมันนะมันก็ตายปุ๊บมันก็เหลืออยู่เก้าส่วเก้าแต่มนุษย์เราเนี่ยเกิดในร่างมนุษย์เนี่ยนะบางทีเราขาดทุนหนุกเราไปสร้างกรรมใหม่เราแบกกรรมมาร้อยหนึง่งเราไปสร้างกรรมใหม่กันไปร้อยี่สิบเราตายปุ๊บขาดทุนเราจะเกิดอยู่ในร่างที่เลวลงไปอีก 29, ยี่สิบเก้ายกตัวอย่างนี้นะแต่ถ้ามนุษย์เราเนี่ยเอาสมองที่เราโตกว่าช้างเนี่ยนะ ร่างกายเราพร้อมกดสัตว์ในไรฉานทุกชนิดเราบังเพนเพียนได้เราฝึกจิตได้จากร้อยหนึ่งเราสามารถลบให้มันเหลือศูนย์เลยได้จนเป็นผ้าอลาะนะหรือว่าอย่างน้นอยๆลบให้มันเหลืออยู่เจ็ดสิบเหลืออยู่หกสิบห้าสิบแต่สัตว์ในไรฉานมันทําไม่ได้แต่มันกําไรชาติหนึ่งแต่คนเรามีทั้งกําไรทั้งขาดทุนนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งคือคําตอบว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม ส่วนหนึ่งคือเกิดมาเดินทางต่อเดินทางก็คือว่าไม่ใช่ไปญี่ปุ่นไม่ใช่ไปเกาหลีไม่ใช่ไปไปประเทศอังกฤษนะคําว่าเดินทางคือจิตมาเดินทางต่อคือมันมาเจริญมรรคเป้าหมายคือพ้นทุกข์นะส่วนว่าเราเป็นใครนะ่ยแน่นอนเราเราไม่ใช่ในายบัญชาแน่ๆเราไม่ใช่พ่อครูบัญชานะเราไม่มีชื่อเราประกอบด้วยดินน้ําลมไฟนะ อันนี้เดี๋ยวคำถามต่อไปก็มีอยู่เดี๋ย ว, ยวจะเติมไปเรื่อยกิจกรรม s อพวกครูคิดมาจากไหนเพราะอะไรถึงมีกิจกรรม s อเริ่มจากประสบการณ์พวกครูลูกพวกครูถูกสอนให้เรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขบังเอิญบ้านปลายชีวิตพ่อครูได้ไปอยู่อเมริกาพอดีแล้วบังเอิญมันรวยพอดีนะไม่ใช่พ่อครูเก่งนะบางทีทาผิดกลายเป็นถูก มันเกี่ยวอะไรที่บอกว่าดวงนะมันมีพรสแสวงกับพรพรสวรรค์กับพรสแสวงพรสวรรค์เป็นเรื่องเก่าของเราเราสร้างบุญเก่ามาเยอะนะจะ ต, ต้องบวกกับขยันด้วยต้องสแสวงหาแต่บางคนยิ่งขยันขยันแบบโง่ๆไม่สมเหตุเลยยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดมันเป็นเพราะอะไรใครเป็นคนกําหนดน้ําแก้วนึงหรอกถ้าเป็นน้ําน้ําใสๆเนี่ยนะเราเอาเอาทรายลงไปเนี่ย มันจะไปอยู่ตรงไหนลูกไปอยู่ก้นแก้วเราน้ามันเทลงไปจะไปอยู่ที่ไหนลูกไปอยู่ข้างบนเราเกลือลงไปจะไปอยู่ข้างบนบนทรายเห็นไทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ในแก้วใบเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันทีนี้ไอ้ลัทธิทุนนิยมแข่งขันเสรีเนี่ยเป้าหมายเขาจะรวมโลก เขาจะสร้างโปรแกรมเนี่ยเขาต้องเป็นเจ้าโลกมันจะอ้างเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันเนี่ยมาหลอกเราลูกเพื่อทำลายวัฒนธรรมเรามันคนใหญ่เลยมันคนจะเอาทรายผสมเกลือผสมน้ำมันเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยสุดท้ายมันเป็นยังไงมันใสหรือมันขุนมันขุนตอนนี้ทั้งโลกขุ่นหมดเลยในครอบครัวเดียวกันยังขุนนะลูกพ่อแม่เดียวกันพี่น้องกันมบางกีคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะตั้งแต่เกิดมามันก็เหมือนไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าไอ้ความคิดที่ว่าต้องการรวมโลกต้องการให้ทุกคนมันต้องการของรวมก็อ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดเหมือนเขาถ้าเราคิดเหมือนเขาปุ๊บเขาก็เป็นเจ้านายเรานะมันคนใหญ่เลยตอนนี้ขุนไปทั้งหมดเลยนะก็พ่อครูก็ถูกหลอกไป 44. สี่สิบสี่ซื่อสัตย์กับคำสอนมากขยันนะลูกเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆ ต้องขยันนะลูกบางทีเที่ยงคืนตีห น, นึ่งตีสองไม่นอนนะเพราะว่าหาเงินโดยเฉพาะขย้อนไปตอนช่วงพวะกูอยู่อเมริกาเราเริ่มจากเรามีร้านอาหารไทยบังเอิญหนังสือพิมพ์มันให้เราสี่ดาวคือสูงสุดแล้ ว, วนะทั้งเรื่องความสะอาดเรื่องรสชาติอาหาราการบริการนะแล้วก็ เรื่องการบริการเรื่องเรื่องทุกอย่างสมบูรณ์หมดการตกแต่งร้านได้สี่ดาวเลยเราเดินทำงานไม่ทันต้องวิ่งทำงานสต่มื่อก่อนนักเรียนที่ไปเรียนปริยาทรพวกตำรวจร้อยตีไปเรียนปริยาโทรเสร็จกลับมาจะได้บรรจุร้อเอกอะไรเป็นลูกน้องบักคูคนไทยเป็นเป็นรุ่นน้องเหล้วเราก็ไปทำงานที่น้่นพวกเราต้องวิ่งทำงานเพราะเดินทางานไม่ทัน ยังไม่เปิดร้านมันก็ยืนเรียงแถวกันหมดเพราะมันดังมากเปิดกี่ร้านก็เต็มหมดนะถ้าเราเคยไปทํางานที่นั่นเราถึงจะรู้ว่าทํางานแบบบ้านเราไม่ทันจรเดินไปเดินมาเฉยเฉยช้าช้ไม่ทันพนักงานเสิร์ฟคนนึงเนี่ยไอ้นี่พวกนี้ต้องพูดภาษาอังกฤษนะใครพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็อยู่ในหลังร้านอยู่ในครัวล้างถ้วยล้างจานไปไปทํามา ไปหันหนห่นเนื้อหัน่นผักแต่ถ้าใครเป็นสาวคอนเซิร์บเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าเวีเตอร์เวสต์นะคนนึงดูแลแค่สามโต๊ะสามโต๊ะเฉลี่ยก็สิบสองคนลูกค้าสิบสองคนทําไมต้องวิ่งมันเต็มไงทุกคนวิ่งเสิร์ฟเร็วปุ๊บมันออกเร็วปุ๊บเราก็ได้ได้หลายรอบและพนักงานเสิร์ฟร้านเราเนี่ยไม่มีเงินเดือนเพราะคุณไม่ต้องจ้าง นะทุกคนแย่งมาเข้าขับรถเบนซ์ูขับรถส ป, ปอร์ตไปตีกอบเพราะทิปมันเราอยู่เมืองไมอามี่สมัยก่อนไมอามี่เป็นเมืองเดียวเนี่ยที่เขาประกวดนางงามจั ก, กรวาลเป็นเมืองที่เศรษฐีมันไปอยู่คนทั้งโลกไปเที่ยวที่น่้นนะเขาต้องริง่งริ่งทำงานเพื่อเพื่อจะได้ลูกค้าพอออกบชุดใหม่เข้ามานะ แล้วก็กฎหมายที่นู่นเนี่ยถ้าเราไปกินอาหารแล้วเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวไงลูกเราต้องจ่ายค่าทิปเนี่ยเ้าเรียกว่าทิปเนี่ยบ้านเราทิปเนี่ยทิปเนี่ยไม่ต่ํากว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพากินร้อยบาทเนี่ยต้องจ่ายสิบห้าบาทต่ํากว่านั้นไม่ได้ร้านจีนมันบวกเข้าไปหมดล่ะบวกสิบห้าบาทแต่ร้านพวกครูไม่ต้องบวกเขาให้เกินหมดนะมันกินร้อยหนึง่งมันจะไม่ให้ยี่สิบสามสิบเหรียญ น, นะ แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งได้เท่าไหร่เงินเงินรายได้มากกว่าโปรเฟสเซอร์ที่หมาหาวิทยาลัยปริญญาเอกเป็นอาจารย์สอนหมาหาาลัยเนี่คือพนักงานเสิร์ฟร้านเรานะแต่ต้องวิ่งทางานะบริการขอนเราดีคื อ, อยังไงอาหารเร็วมากไปเทคออเดอร์จดจดจดจจแล้วก็เอาไปเสียบไว้ในครัวปุ๊บไปจัดเครื่องดื่ม เครื่องดื่มยังไม่เสร็จอาหารจานแรกแก๊งละ่ะถ้าเกิดเราหิวลูกเรามาจากบ้านหิวมากเลยไปนั่งสั่งอาหารมองแล้วก็มองแล้วพร้อมกับลองกอกกอกไม่มาสักทีหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรโมโหหิวใช่ไหมนั่นน่ ะ, นะกองข้าวน้อยข่าแม่ที่จะโสอกรก็แบบนี้ไงหิวแม่แม่ไม่มาสักทีหนึ่งนะโกรธมากข่าแม่ตายกินแล้วก็กินไม่หมดคนเรา เวลามันเป็น้าอาหารเนี่ยมันไปด้วยความหิวบริการนแบบแรกเต้องเร็วก่อนเร็วนะมันประทับใจและอาหารเนี่ยต้องต้องเสมอต้นเสม อ, อ, สมอปลายไม่ใช่ว่าทักผัดชิมชิมชิมพอดึกดึกหน่อยหนึ่งเค็มหมดเลยลูกเพราะลิ้นมันหนาร้านพ่อครัวห้ามชิมนะเนี่ยทุกคนไปทําได้หมดลูกไ ป, ไปเป็นพ่อครัวแม่ครัวเงินเดือนทีเน่เป็นเงินไทยเป็นสองกว่าบาท แค่ผัดให้มันสุกนะแค่นั้นเองเพราะทุกอย่างน้ำจิ้มทุกอย่างช่างตวงวัดแม้กระทั่งข้าวผัดนี่ลูกเรานึ่งข้าวเป็นกระป๋องเนี่ยเท่ากันหมดนะออร์ดอร์หนึ่งกระป๋องหนึ่งไข่ฟองหนึ่งหมูไก่เป็ดอะไรเนี่ยตวงหมดมีหน้าที่ใส่เข้าไปแล้วก็น้ำจิ้มทับเพียหนึ่งปุ๊บผัดออกมาเนี่ยกินอีกสิบปีข้างหน้ากับตอนนี้รสชาติ เพราะหลังเขารู้นะถ้าเพี้ยนปุ๊บนี่ยเขาบอกเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาฝากท้องเขาหนี่กับร้านเราเป็นเวลาหลายปีถ้าเพี้ยนนิดหนึ่งรู้เลยนะมาตรฐานใช่ัม้มเราเซ็ตอัพทุกอย่างต้องเร็วถ้าช้าเนี่ยไม่ได้เงินเออเล้เฮ้ยนะกว่าจะออกม า, าจานกว่าจะกินหมดเนี่ยปิดร้านแล้วอันนี้อันนี้ตั้งแต่ตอนเย็นเนี่ยนะ ตั้งแต่ตอนเย็นขายถึงสี่ห้าทุ่มเนี่ยกว่าจะคลีนทํทำอะไรเสร็จหกโมงหกทุ่มทุกวัน น, นะหมุนเวียนหลายรอบเลยนะพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งวันหนึ่งได้หลายร้อยเหรียญวันนี้ร้อยเหรียญร้อยเหรียญหนึ่งเนี่ยเท่ากับเมืองไทยส0มพันกว่าบาทวันหนึ่งนะมันกินอาหารมันออกภาษีเอง แล้วมันก็ต้องจ่ายค่าทิปเราด้วยสิบห้าเปอร์เซ็นส่วนมากที่ร้านนี่จ่ายเกินเพราะว่าถ้ามันให้น้อยนะวันหลังมันมามันมันต่อแถวไม่ได้เข้ามาสักทีแล้วเขารีบกินเข า, เขาไม่ต้องแช่เขากลัวมากเขารีบกินเขารีบออกขอบคุณมันจ่ายเงินเรามันจ่ายภาษีเองมันจ่ายค่าทิปมันยังขอบคุณเขาอีกออกไปเขากินข้าวนอกบ้านเขาฝากท้องกับ ฮัลวันนี้กินร้านนี้วันนี้กินร้านนี้วันนี้กินไอ้ลูกค้าประจําเรามาปุไม่ต้องสั่งเลยเลยูกพนัก ง, งานเสิร์ฟจามันได้มันมากินร้านนี้มันก็เอาเอาเอ า, เอาที่มันเคยกินอาหารเพี้ยนไม่ได้ถ้าเราอาศัยความทํานาญของแม่ครัวพ่อครัวนเนี่เดี๋ยวลินไม่เช็งพิ ม, มพ์ยายมามันไม่เสนอต้นเสนอปลายพราหลังเขาถึงเปิดแฟรนไชส์ได้ทั่วโลกเห็นไหมไอ้ไก่ทอดฟลายชิคเก้นแมคดาโน่ที่เราไป ทุกอย่างมันขั้งตวงวั ด, ดเป็นมาตรฐานนะหนึ่งต้องเร็วสองอาหารมาตรฐานต้องสะอาดต้องอะไรเนี่ยนะหมันถึว่าเมื่อเราได้สีดาวแล้วเปิดกี่ร้านก็เต็มก็พวกครูก็ไปจับทอธุรกิจ ม, มีคำถามนะนี่ตอบไปด้วยกันนะว่าก่อนที่พวกครูจะมาที่นี่พวกครูมีอาชีพอะไรนะ พ่อคูเกิดที่อําเภอเมืองพอ่อโตขึ้นพ่อคูไปค้าขายอยู่กรุงเทพค้าขายต่างประเทศมีบริษัทอยู่กรุงเทพแล้วพ่อกูกลับเมืองอุบลมาเล่นการเมืองมาเป็นสอจอเป็นสมาชิกพาจังหวัดเขตอำเภอเมืองนะแล้วก็สมัครผู้แทนตอนปี26แล้วก็พ่อคูไปเยี่ยมแม่กับน้องๆที่ครอบครัวพ่อครูเนี่ยมีพ่อคูคนเดียวไม่ยอมไปเราเป็นลูกชายคนโตนะก็ คิดว่าไปเยี่ยมเขาหนึ่งเดือนเขาแอปพลายบัตรเขียวให้หรอบัตรเขียวก็คือว่า เ, เราเป็นเราสามารถเข้าออกอเมริกราอกเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้นะก็เป็นเลสเซเดีเขาคิดว่าไปเดือนหนึ่งหรกแม่ร้องไห้มากๆมาเล่นการเมืองไม่รู้าจะท่าทิ้งเมื่อไหร่นะตอนนั้นขอร้องพอกกูกักกูก็ไม่เลิกตอนนี้เนื่องจากต้องการสนองคุณแม่กัันดูลูกคุณ พ่อครูต้องทิ้งทุกอย่างในเมืองอุบลเราเป็นนักการเมืองฐานเสียงที่คนรักเราเราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันประมาณค่าเป็นเงินไม่ได้แต่เราต้องทิ้งทุกอย่างทั้งความดีความชั่วนะไปสนองคุณแม่พ่อะรูทุกมากหรอกพ่อคูไม่เคยชอบอเมริกาลึกๆมันมีความรู้สึกว่าเราไปอาศัยประเทศเขาอยู่ของเขาตาน้าข้าวผมสีทองมันมันเสียลีอยู่แต่ลึกๆนะ่ยมันมันไม่จริงหรอก มันก็ยังมีแบ่งชั้นวรรณะอยู่นะเขายังมีลึกๆเราเป็นผู้นําจังหวัดเนะี่ราคุยกับผู้ว่าอะไรเนี่ยไปที่นูน่นเราเหมือนเด็กอมมือลุกเพราะครูต้องนั่งนับนั บ, น, บนับหนึ่งใหม่ถนนหนทางก็ไม่ชํานาญภาษาก็ไม่เก่งทุกอย่างนับหนึ่งใหม่หมดมันบอกว่าแข่งขันเสีหลีฉันจะไปแข่งเธอแับเธอได้อย่างไรอยู่แบบหวานอมของตินเพื่อสนองคุณแม่เหมือนเด็กอมมือทุกอย่างหัดหม ก็เอาไปน่าเป็นบุญเก่าลูกที่บ้านเขาก็มีพื้นฐานร้านอาหารเราเข้าไปแล้วก็ไปจัดระบบอะไรอะไรให้เป็นระบบมากขึ้นมันได้สีดาวที่นี่เปิดกี่ร้านก็เต็มหมดนะยังไม่พอลูกเพื่อนที่ไต้หวันก็มาชวนให้ทําธุรกิจคอมพิวเตอร์นะเราก็ไปจับคอมพิวเตอร์อยู่เพื่อนเขาอยู่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียนี่บินไปไมอามีลูกเท่ากับเมืองไทยบินไปญี่ปุ่น หชั่วโมงประเทศมันใหญ่มากนะเหมือนเหมือนเราอยู่อุบลเราไปเมืองการอย่างเงี้ลยลรือเนาะแต่ถ้าอูบลไปเมืองการนั่งเครื่องบินชั่วโมงเดียวแต่อยู่ที่นูนนะจากแคลิฟอร์เนียบินไปไมอมีม่นี่หกชั่วโมงประเทศเขาใหญ่มากแล้วก็ตอนนั้นเราเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆอยู่เมืองไมอมี่ไม่ค่อยมีไทยไปอยู่ใจมากคนไทยไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเยอะแต่ไปซีกนันน้นครอบครัวพวอคู ก็อบครัวจนต้นไม่ค่อยคนเอเชียด้วยไม่ใช่กระบกคนไทยคนเอเชียก็น้อยก็ก็ไปจับธุรกิจคอมพิวเตอร์ไม่ได้เก่งเราไม่รู้เรื่องเลยเอาไปนอาบุญเก่าขายดิบขายดียังกระเทน้ําเทท่านาะยังไงมอนิเตอร์เนี่ยมอนิเตอร์ไอ้จอภาพเนี่ยรุ่นเก่าๆเนานไอ้รุ่นหัวใหญ่ใ่นะเออ สมัยก่อนเนี่ยพ่อคูเป็ น, นเยายนซัมซุงนะเป็นยเยนซัมซุงก็ดังมากใหญ่ๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเละนะขนขายยังกะขายน้ําปลาลูกขายเยอะมากนะแล้วเราก็ผลิตคอมพิวเตอร์เราเองนะแต่ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างผลิตที่อเมริกาหลูพกพ่อคูสั่งไต้หวันสั่งญี่ปุ่นสั่งเกาหลีนะ สั่งอะไรมาแล้วไปประกอบที่นูน่น m a ทอินยูเขายไปทั่วโลกไม่มีแม้แต่หนึ่งชิ้นผลิตที่อเมริกาไปประกอบที่นั่นเฉยๆแล้วอาศัยชื่อเสียงของอเมริกาขายไปทั่วโลกไม่กี่ปีลูกและบังเอิญว่าไมอามีเนี่มันเหมือนปักใต้บ้านเราเนี่ยมันอยู่ทางใต้นะไปอยู่ทางใต้สุดของอเมริกาเลยแล้วข้างล่างนั้นมีหลายประเทศอเมริกาใต้กำลังกำลังพัฒนา จะเป็นบาร์ซิลเป็นอะไรอะไรเนี่ยหลายประเทศที่กําลังเจริญพัฒนามันก็มากว้านซื้อคอมพิวเตอร์นะผลิตไม่ทันกลางวันไปบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์กลางคืนไปดูแลร้านอาหารคนละร้านกว่าจะกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งหิ้วถุงเงินกลับบ้านทุกวันแล้วก็ยัดเต็มบ้านสุดท้ายไม่รู้มแมลงสาบหรืออะไรกัดถุงมันขาด เ, เงินมันเหม็นมากที่พ่อคู ทุกมากหรุข้อ เ, เงินมันเหม็นมากไม่มีเวลาจัดแจงหรุมันเหนื่อยเราอยากได้เงินก็ได้แล้วไงทําไมไม่สุขหรอบางทีเบื่อมาก็บินไป拉斯เวกัสไปเล่นการพนันไปเต้นลําไปกินเหล้ า, าไปฟังเพล ง, งคือให้มันลืมพอกลับมามันก็เบื่ อ, อเป็นอย่างนี้อยู่เจ็ดแปดปีรพราะครูหาความสุข นะอันนี้ถามนิดหนึ่งขอตอบยากเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรวมรวมกับไปคําถามอื่นด้วยนะก็พวกครูรู้ได้ยังไงเอดีเกิดมาอย่างไงคืนสุดท้ายนั่นทีพ่พ่อครูเบื่อชีวิตมากไอทํางานเหนื่อยกายมันก็เหนื่อยเด้อนอนปุ๊บมันก็ตื่นมามันก็หายเหนื่อยแล้วแล้วก็ได้เงินทุกวัน ท, ทําไมท่าลจะไม่พอใจแต่มันเบื่อข้างในหนุมมันเบื่อมากเซ็งมากถ้าชีวิตเราแค่นี้เหรอ อลิงนะลูกลิงไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทำงานไม่ต้องมีเจ้าหนี่ลูกนี่มันตีลังกาได้เลยเห็นไหมมันเบาทำไมมนุษย์เราทำเป็นหนักหนาสาหาัสนะเรียนมาแทบตายแล้วมาทำงานต้องแข่งกันแข่งตอนนั้นไม่ใช่เรื่องเงินนะลูกตอนเราทำร้านอาหารนี่มันเหนื่อยกายเฉยๆลูกค้าประจาเราเต็มไม่หมดไม่ต้องสู้กับใครนะ แต่พอเราค้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันตอนนั้นไม่ใช่เรื่องเงินลนะเรื่องศักดิ์ศรีถ้าเราก็ช้ากว่าเขาหนึ่งเก้าเนี่ยหมายถึงเป็นขยะหมดเลยถ้าเร็วกว่าเขาหนึ่งเก้าเนี่ยหมายถึงมหาสาลเพราะมันขายไปทั่วโลกตอนนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องแพ้ชนะไม่เกี่ยวกับ คืนนั้นที่มันเปลี่ยนชีวิตพ่อครูนั่นลูกพอกลางคืนเด็กๆเขาเคลียบบัญชีเสร็จนะเที่ยงคืนพอดีเขากลับบ้านหมดพ่อครูไม่กลับลูกปิดกุญแจร้านอาหารแล้วก็มีหิ่งพระนะเราแต่งแบบเรือนไทยแบบขันโตกลูกมีมีนั่งที่พื้นอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีหิ่งพระพ่อครูลงไปกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเรื่องหลุดเรื่องพ้นมีจริงพร้อมแล้วถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงต้องช่วยให้พ้นทุกข์ ถูกบังคับให้นับถือศาสนาพุทธมา40ปีทำไมมันทุกข์อย่างนี้เราไม่เคยศึกษาเลยลูกตอนเรียนหนังสือเขาก็ให้เรียนพุทธประวัติศินห้ามีกี่ข้อสินแปดมีกี่ข้อท้องจําแล้วก็ไปสอบแต่เราไม่มีศีนเพราะครูไม่มีศินห้าสินเล่าทุกยี่ห้อสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่ซองโอหกเพราะเราเป็นนักธุรกิจเราคิดเรื่องอะไรฉันจะบอกความจริงเธอเราเข้าใจว่าการโกหกเป็นเทคนิคนะ พเพราะกูก็เที่ยวเตะทางภาษาคนหนุ่มไม่มีสีห่างแม้แต่ข่อน น, นะก็คืนนั้นมันมันมั น, ม, นมันทุกข์โดยไม่รู้ไม่รู้เหตุผลว่ามันเบื่อเพราะอะไรก็เลยทําอะไรบ้าๆบอๆเป็นครั้งแรกในชีวิตที่พักูนั่งสมาธินี่ลูกสมว่าเราไม่พูดเงียบใช่ไหมล้วได้ยินเสียงพัดลมไหมได้ยินไหมลูก พอพักครูนั่งเงียบปุ๊บกูได้ยินเสียงแอร์ไอ้ น, นิสัยเราไม่ดีคือว่าได้ยินปุ๊บเอามาคิดมองเห็นปุ๊บก็เอามาคิดคิดทุกเรื่องนอกจากได้เงินเต็มบ้านแล้วมีมีรางวัลชีวิตมีของแถมมาด้วยพราครูเป็นไมเกรนหลุบเพราะมันคิดมากจับไม่ได้เลยนะปวดแบบสุดแล้วก็ความเครียดลงกระเพาะอ่าแล้วก็กินยาระงับมันแล้วก็คิดต่อแต่คืนนั้น ไอ้ น, นิสัยไม่ดีเราความคิดมันมีประโยชน์เฮ้ย hey, ไอแอร์นี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆแพงก็แพงทำไมมันดังอย่างนี้มันก็ดึงระหว่างหูกับใจดึงเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นพรอกูเหมือนคนเข้าทรงมันเต้นเต้นเต้นเต้นนั่นแหละคือเช็กติงสั่นระเทือนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็พลิกกลับมามันหมุนพอูเหมือนเครื่องซักผ้าน่ทีนี้เราเป็นคน ที่บอกว่านักเลงเรียกพี่เพราะคูตัวเล็กๆหรืตัวเตี้ยๆลูกเป็นคนแบบว่าขอมาให้เลยแต่ไม่พอใจบอกมึงเก็บมันเลยอย่างนี้นนะคือคือเป็นคนแบบนั้นอ่ะคือคือแรงมากมันก็ขับท่าดไฟพระครูออกมาปุ๊บปุบปุบแต่ละครั้งเหมือนพรอครูลอยได้ลูกเหมือนมันเบามันเบาไม่ได้ลืมตาว่ามันห่อได้จริงไหมแต่รู้สึกมันเบามันมันดันออกมาลูก แรงหมุนนะ่ยมันปรับสมบุรของดินดน้นาําล ม, มไฟเพราะครูเป็นธาตุไฟนะโมโ ห, โหแบบนักเลงต้องริ่งไกลๆนะเพราะลูกน้องพรอครูนักเลงเซ็งไปหมดเลยนะมันออกมาก็น่านาจะประมาณครึ่งชั่วโมงแ่ะมันไม่ได้ลืมตาดูนาฬิกานะทีนี้มันเหมือนเครื่องฉีด น, น้ําน่ยฉีดตั้งแต่ปลายเท้าวพรอครูเนี่ยขึ้นมามันเหมือนชาชาขึ้นมามาถึงใบหน้าทีนี้ข้างบนหัวเนี่ยมันเหมือนเครื่องจาะ เหมือนเข็มเลยเจาะปทุกเส้นผมเลยตอนนั้นลึกๆึกกลัวเพราะค ร, รูไม่ไ <verstehen> ด <and wrinkles> ้กล sal ัวตายนะมันแรงมากกลัวว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวจะทำอย่างไรตอนพ่อครัวอายุสี่สิบวินาทีนั้นครูขีเรานี่ไอายุขวบหนึ่งน้องขีขวบตอนนั้นมันห่วงถ้าเกิดเราเป็นอะไรครอบครัวจะทำอย่างไรพอเรา ลัวอยู่กําลังคิดอยู่มันมาหมุนหัวพ่อครูลูกหมุนความรู้สึกคือมันไม่มีกระดูกแล้วมันหมุนรอบแต่จริงๆแล้วมันน่าจะแค่นี้แหละมันหมุนมันสลัดให้เราลืมความกลัวนั้นเวลานั้นไอตัวเบื่อพ่อครูเบื่อมาเจ็ดแปดปีมันลอยขึ้นมาไหนบอกว่าเบื่อไงไอตัวเบื่อนี่ชนะความกลัวได้ เ, เอออยู่ไปทําไง อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะพ่อครูยอมปุ๊บมันเกิดการระเบิดตู้งายลลงไปเหมือนระเบิดล้วไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเหมือนอะไรระเบิดออกจากร่างเราหหยลงไปพ่อครูก็นอนลงไปนะคำว่าสว่างสงบสะอาดหลับตาก็สว่างพ่อครูก็นอนดื่มด่ำสภาวะนั้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงพอลืมตาปุ๊บนี่ยตีสามพอดีเลยพี่บอกว่าสา มาลืมตาก็สว่างหับตาก็สว่างงงๆแต่เกิดมาไม่เคยมีความสุขเลยวินาทีนั้นที่มันรู้สึกสุขเพราะว่ามันไม่คือตัวเราถูกระเบิดจริงแล้วไอ้คนเบื่อมันตายแล้วนะมันไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะเพระครูอุทานออกมาว่าอ๋อเจอแล้วความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระเวลานั้นเราอิสระมากเลยคนที่มันเบื่อมัน นี่ก็ลุกขึ้นไปเดินไปไปเปิดตู้เย็นนะเพราะว่าแอร์เย็นหมดลูกแต่ว่าพ่อคูเหงื่อเต็มไปหมดเลยว่าสองชั่วโมงกว่าๆนะั้นมันเอาพ่อคูแบบว่ายิ่งกว่าออกไปออกกําลังกายอะไรหมดแล้วเหงื่อเต็มไปหมดแต่พอเดินไปนะ่ะเหมือนคนห่อได้ลูกมันเบามากเลยเกิดมาไม่เคยเบาขนาดนี้เปิดเอาน้ํามากินเสร็จบุหรี่ยังอยู่ในกระเป๋าลูกตอนที่จะนั่งเนี่ยไม่มี โกหกลูกค้ามาว่าร้านอาหารเราไม่มีเอ็มก็คือว่าเอ <F> ็มแปลว่าผงชูรสไม่ได้ใส่เพราะังมันกลัวเอ g มมากไปตรวจในครัวเราเนี่เม็ดหนึ่งก็ไม่มีลูกแต่มันผสมในน้ําจิ้มมาเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีน้าจิ้มมันไม่อร่อยอาหารมันจะอร่อยหรือเปล่าแต่ฝรั่งเขากลัวมากพวกครัอบับบร่มาสูบๆไม่ได้ สูมายี่สิบสองปีนะวันหนึ่งสามสี่ซองพยายามเลิอกอยู่สี่ครั้งไปหาหมอปรึกษาแล้วเอาอยามาอมทีนี้อมด้วยสูบด้วยนะคือไม่สมด็จแต่วินาทีนั้นมันระเบิดทีเดียวเนี่ยสูไม่ได้ก็ทิ้งนั่นแหละชีวพครูเสียนั่นแหละคำถามคือว่าพวกครูรู้จัก s อดีมาจากไหนจากสามชั่วโมงนั้นจิตเดิมมันมาสอนพ่ครูในนี้หมดลุก ไม่ใช่เฉพาะเช็คแอนแดนเฉยๆนะเวียงด้ว ย, วยอะไรด้วยสามชั่วโมงนั้นมันทำให้พระครูเห็นมันคืออะไรนะก็มาปรับใช้ให้มันทันยุคทันสะมัยเนะคือที่มาของเอนดี D นะอยากให้มีการเข้าค่าหลายวันหน่อยจริงๆแล้วพู้ครูเห็นด้วยลูกแค่สองวันครึ่งเนี่ย แค่ชิมลางเฉยๆเอ่อถ้าได้สักห้าวันนะลูกพวกเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งนี้นแต่ตอนนี้พราะเรายังมีอะไรสงสัยไอ้เรื่องนี้พ่อครูบรรยายก็เข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ถ้าเราฝึกเข้าไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ตัวเราเองนะอันนี้เดี๋ยวเธอ้าคุยกับผู้บริหารโรงเรียนว่าเป็นยังไงแต่บางคนบอกว่าเข้าไปทําไมไม่รู้เสียเวลาเนอะ บางคนบอกอยากให้เข้าหลายวันหน่อยหนึ่งทำไมพวกครูถึงกล้าให้เด็กๆมากขนาดนี้ฟรีทุกอย่างเลยพวกครูไม่ได้กล้าเพราะพวกครูไม่ได้กลัวนะพ่อครูไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องกล้าหรอกเพราะครูไม่ได้กลัวมันเป็นหน้าที่อาหารที่บอกว่าครบห้าหมู่ทาไมไม่มีผลไม้รับปุ๊บ จับคำพูดพ่ดอครูในเดีววันแรกเลยดีมากลูกเขาพยายามคบห้ามอยที่นี่สารอาหารบางอย่างไม่ได้ต้องอยู่ที่ผลไม้อย่างเดียวนะในพืชผักในเนื้ออะไรมันก็มีอยู่ที่นั่นว่าไอ้เรื่องนี้บอกมาก็ดีแล้วลูกเดี๋ยวพว่อกูจะกําชับแม่ครัวเขาที่นี้เป็นอย่างนี้เราอยู่ที่นี่กันดานมากนะผลไม้ที่เราปลูกอะไรๆมันก็ไม่พอยาไส้อะไรที่นี้ทุกอย่างก็ต้องไปซื้อหมดนะอันนี้ก็ แยกทิธรรบางครั้งเขาก็เป็นเจ้าพักนะเขาก็ระบุว่าเอาโน่นเอานี่แล้วก็ส่วนมากเขาก็เลือกเอาไอติมมาเลี้ยงพวกเรานะั่นแหละต่อไปให้เปลี่ยนผลมไม้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวให้ผลไมาบ้บ่อยๆว่าทําไมไม่มีไอติมสักทีหนึ่งเดี๋ยวก็ถามนะ <c oughs> คนเราเนี่ยร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่านะไม่เป็นไรร ล, ลูกดีแล้วลูกที่บอกเราทํากิจกรรมเช็คแอนด์แดนซ์ทุกวันเพื่ออะไร สภาพร่างกายกายฟิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขนะครับเหมือนเราอาบน้ำทุกวันกินข้าวทุกวันนั่นแหละพ่อคูจัดทำห้องหนึ่งหกแปดแล้วมันจะดียังไงครับพ่อคูยืมตัวรุ่นมหนะพี่หมยพี่พลอยพี่ชมพู่นะมาทดลองหนะึ่งแล้วก็เดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยหนึ่งกรรครา เขาต้องสมัครไปที่มหาวิทยาลัยที่เชียงรายนะพวกกูให้เลือกแพทย์สันไทยก่อนสุลานี้ไปสอบนะแล้วก็ไล่สอบมาเรื่อยๆแล้ว น, นี้พวกกูลอ ง, งพวกกูยังไม่สรุกว่ามันดียังไงแต่หลังจากประเมินพี่พอยพี่หมวยแล้วเนี่ยประเมินพี่ชมพู่เรื่องเอาลงแปดปวนก็เลยให้บวชก่อนแล้วก็เรียนไปด้วยทีนี้วิชาการเขาก้าวกระโดดมากนะ ทีนี้มีหลายคําถามว่าทําไมไม่มีครูสอนวิทย์สอนอะไรเราเจอครูเก่งๆถ้าไม่ใช่เสียสละเนี่ยเขาอยู่เราไม่ได้เขาว่าเขาเก่งเรื่องอะไรจะมากินเงินเดือนแค่นี้โรงเรียนศึกษาสงเครอร์สเขาไปอะไรก่อนถ้าไม่มีสมมติเนี่ยเขาอยู่เราไม่ได้ครูที่นี่ส่วนมากอัลังกุญเรือนก็มีแค่ยาไส้เขาเพออยู่ได้แต่เขาอยู่ได้ด้วยเขาเป็นจิตอาสาเขามีความสุขกับการให้แต่ถ้าคนให้ไม่ได้เนี่ยคนเก่งๆที่ไหนมันอยากจะมาให้เราเราก็เลยเอาหนึ่งหกแปด 168เนี่ยติวเตอร์เนี่ยเขาเอาครูที่เก่งที่สุดในเมืองไทยหลายๆโรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนอะไรเนี่ยนะมาเป็นคนสอนและเรื่องติวเนี่ยเขาก็เอาเด็กๆเกยาวชนที่สอบเข้ามหาลัยเป็นที่หนึ่งที่สอ ง, ท, สองที่สามอย่างเจงเนี่ยจะพูดภาษาเยาวชนกับเราเนี่ยนะไม่ให้มันเบื่อ เ, เขามารวมอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้โรงเรียนนาลีนุ ก, กูลที่จังหวัดอุบลที่แย่งกันเข้าเนี่ยก็ใช้168 น, นะ อันนี้พวกครูลองอยู่แล้วลองสามคนนี้แล้วนะแล้วก็ลองอมสี่มห้า เ, เนี่ยมาลองแล้วเนี่ยนะเขาก้าวหน้ามากนะก็เลยว่าสั่งให้ทางโรงเรียนว่าทําห้องหนึ่งหกแสนนะแล้วพวกเราจะมีสมาธิมากขึ้นดุกก็อเอาเครื่องช่วยถ้าพวกเราให้นั่งเรียนอย่างนี้เนี่ยทักมองไปหาเพื่อนทับหาเพื่อนฮึบเอาหูไปฟังมันเฮ้ยอะไรนะครูพูด ร้อยคำฟังได้ห้าคำเวมีบางคนถามว่าหนูไม่มีสมาธิเลยทำไมหนูจะเรียนนั่นแหละถ้าเราฟังฟังฟังเราได้ยินร้อยเปอร์เซ็นนะมันจะมีสมาธิมากขึ้นแต่ต้องแลกด้วยความฝึดอัดหน่อยลูกอดทนหน่อยหนึ่งเพราะว่ากิเลสเรามันไม่ชอบแบบนี้นะมันชอบเล่นชอบนั่นชอบอนี้นะมันถึงไม่มีสมาธิแล้วห้องหนึ่งหกแปดนี้จะช่วยให้เราก้าวหน้า แต่ทุกอย่างต้องแรกด้วยความอดทนหน่อยหนึ่งนะทำไมคนเราถึงมีความโง่ความฉลาดมันเป็นของคู่หรืทำไมมีผู้หญิงมีผู้ชายทำไมมีดีมีชั่วทำไมมีร้อนมีเย็นผู้เจ้าไปตัดสุรุของคู่เอาแล้วทำไมคนนี้เกิดมาไอคิวสูงแม้กระทั่งพ่อแม่เดียวกันลูกลูกฝาแฝด วิทยาศาสตร์ไปตรวจด n เเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเพรเลยหน้าตาคล้ายๆกันแต่ไอัน IQ, อนี้ i อิสูงอันนี้ i อคิวถามว่าทำไมนะบุญบา ร, รมีที่เราสร้างมาไม่ไมเหมือนกันเลยมันส่งผลมันอยู่ในดี a อนั่นแหละมันเป็นบันทึกโปรแกรมที่ต่างกันอันนี้บุญบาปมีจริงนะคำตอบก็คือโง่กับฉลาดไม่ใช่เราอยากเกิดมาโง่แล้วอยากเกิดมาฉลาดเกิดมามไม่รู้เรื่องอะ เพียงแต่ว่าบุญบา ร, รมีที่สร้างมาเนี่ยทําให้เราเนี่ยมีสุขภาวะที่ต่างกันนะทําให้ไอคไม่เหมือนกันเกิดมาไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เท่ากันเลยแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ไดเ้เมื่อเรารู้แล้วต้องรีบสร้างอดีตชาติมันผ่านไปแล้วเรากลับไปทําไม่ได้เราต้องสร้างปัจจุบันหนุนะสร้างให้มันมากขึ้นถ้าเกิดชาตินี้เนี่ยบันเอิญว่าเราไม่เดินฟังสายธรรมเราเกิดแน่ๆเกิดแน่ๆ แต่ถ้ามันต้องเกิดเนี่ยบุญบารมีที่เราสร้างเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยจิตเดิมเนี่ยเอาบุญบารมีนี้ก่อไปต่อยอดอนาคตชาติเราจะดีขึ้นนะครับทำไมในทำไมเวลาเอชแดี D แล้วถึงปล่อยวางความคิดของเราไม่ได้เวลาเราเอชดี D อยู่เนี่ยความคิดมันยังคิดอยู่ถ้าวันไหนเราเลิกคิดเราหยุดคิดปุ๊บเราเป็นพระอรหันต์ นะจิตบรรูุธรแล้วมันยังคิดอยู่ไม่ใช่ไม่ให้มันคิดแต่เราไม่ไปคิดตามมันเมื่อเราทำบ่อยๆแล้วไอ้ความคิดเนี่ยมันจะควบคุมเราไม่ได้ละต่อไปเราจะคิดน้อยเราจะคิดเมื่อต่อที่นี่เราจะคิดจิตเราจะใช้ความคิดนี่มาสร้างประโยชน์แต่ที่ผ่านมากิเลสมันใช้ความคิดเราเนี่ยมาหลอกเรา ชี้ทุงทซาดอย่างนั้นแหละนี่แหละที่เราไม่มีสมาธิเพราะอะไรเพราะเราถูกความคิดมาสร้างอารมณ์มาครอบงาสติเราทําให้เราไม่มีสมาธินะไอเช็คแอนแดนหรือว่าไอวิธีเหวี่ยงเราเนี่ยทําไป น, น, นานๆลูกสมาธิเราจะยาวขึ้นนะความคิดมันจะอ่อนลงไม่ใช่เราไม่คิดนะมันยังคิดอยู่แต่ว่ามันจะน้อยลงอนะอันนี้ของเราเนี่ยคิดทุกเรื่องไม่มีเรื่องก็คิดให้มันมีเรื่อง เราจะทำยังไงเพื่อเข้าถึงจิตที่ลึกและรู้จักอดีตชาติของเราเช็คแอนแดนเนี่ยเป็นส่วนประกอบทำให้จิตมีกำลังส่วนเรานั่งเวียงลกเวียงเข้าไปนะเดี๋ยวมีคำถามว่าทำไมเวียงต้องจิง้งต้องอะไรเดี๋ยวพวกคุณจะตอบนะนั่นแหละคำตอบว่าทำยังไงนะเวียงลกเวียงบ่อยบ่อยนะเมื่อมีพลังปุ๊บมันจะเข้าไปสู่จิตในจิตมันจะระลึกชาติได้และเราจะรู้ว่าเราเป็นใครกันแนะ่ แล้วจะรู้ตอนนั้นนะทําไมมาเกิดอยู่ในร่างนี้ทําไมคนเราเกิดมาอยู่ร่วมกันแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเที่ยงธรรมถึงต่างกันมากมายถ้าลูกๆทุกคนเนี่ยนะย้อนหลังไปส่วดีพวกเราคงไม่ทันเพราะครูทันสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเราอยู่ในชุมชนนะเรามีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีคําว่าจนไม่มีคำว่ำารวยนะยิ่งถ้ายุคก่อนพ่อครกูก่อนหน้านี้ไม่มีเงินมันก็ไม่มีรวยไม่มีจนเราอยู่แบบพี่น้องนะหลายปีก่อนนี่มีฝรั่งคนหนึ่งมาลูกชื่อท้าวิลหล่อมากสูงร้อยเก้าสิบห้าเซนนะแต่มาที่นี่ปุ๊บเนี่ย เ, เด็กๆเรีย ก, ก, กชื่อเขายากมากท้าวิลพรอครูก็ตั้งชื่อเทวา ให้เป็นเทวะเทวานะหลังจากเขาเวียงเวียงเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะพระครูจะทดสอบภูมิปัญญาของคนตะวันตกนะพวกบวกเท ว, วาที่นี่อยู่ริมเขือนนะถ้าวันไหนเท ว, วาไปจับปลามาได้ตัวหนึ่งเนี่ยยาวสองเมตรเลยเท ว, วาจะเก็บไว้ยังไงกินนานที่สุดเท ว, วามันก็นั่งคิดมันดีดนิ้วมันบอกวิธีง่ายที่สุดนะก็คือ เอามาแล่เป็นชิ้นชน ช, น ช, นชิ้นเอาพลาสติกมาแรบแรบแรบเอาไปแช่แข็งไว้วันไหนจะกินก็ออกมาทีละก้อนหรือว่าถ้ามีโรงงานทําปลากระป๋องเนี่ยไปทําปลากระป๋องไว้กินนานที่สุดถ้าบอกว่าพกขแค่นั้นนะบอกแค่นั้นทีนี้หันกลับมาถามครูอ้อมเนี่ยครูอ้อมสมัยก่อนเป็นเด็กกสนที่นี่นะครูอ้อมเรียนเรียนมัธยมอยู่บอกครูอ้อมถ้าครูอ้อมได้ปลามาตัวหนึ่งยาวสองเมตรเนี่ย คูอ้อมจะเก็บว่ายังไงกินนานที่สุดคูอ้อมไม่ต้องคิดเลยลูกคูอ้อมบอกแบ่งเป็นสี่ชิ้นเอาชิ้นที่เนื้อมากที่สุดนี่ไปเลี้ยงผ้าที่วัดเอาชิ้นที่ดีที่สองนี่ไปให้ข้างบ้านเอาชิ้นที่ดีที่สามมาทําลาบมาทําอาหารกินเอาชิ้นที่ดีที่สี่นี่มาตากแห้งมาทําปลาละกินข้ามภพข้ามชาติแล้วไม่ใช่แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียว ฉันให้เธอเธอให้ฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยเหลือฉันนี่คือชุมทนไทยในอดีตแต่ตอนนี้มันล่มสลายแล้วเนี่ยการแข่งขันเสรีเนี่ยมันกระตุ้นให้เราเนี่ยกลัวว่าจะแพ้ตอนนี้หันไปข้างบ้านเฮ้ยมันมีมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ฉันก็จะเอาด้วย เห็น ไ, ไหมก็ไปกู้นี่ยืมสินไปผ่อนส่งมอเตอร์ไซค์ขี่ยังไม่เก่าเลยเฮ้ยมันออกรถกระบะมาแล้วฉันก็ต้องเอาด้วยแล้วมันให้กันได้ไหมให้ไม่ได้นาะนี่แหละความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่คำถามเนี่ยมันหายไปหมดดุเพราะความอยากเรามาแทนที่ถ้าธรรมชาติของจิตเดิม ลราคงไม่เคยเห็นทาสานแต่เคยอ่านหนังสือเนาะเคยเห็นทาสานมันทะเลาะกับลิงไหมวันนี้เคยไหมเนาะแต่ตอนนี้เคยเห็นด็อกเตอร์สองคนมันทะเลาะกันไหมเคยไหมลูกเคยเห็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มันทะเลาะกันเคยเห็นไหมทําไมไม่เห็นเน่ะด็อกเตอร์ตอนนี้มันฆ่ากันด้วยไงมันทะเลาะกันมันก็ยิงคนอื่นตายมันก็ยิงตัวเองตายไงเห็นไหม เคยเห็นเคยเห็นคยเห็นชาวนาทะเลาะ ก, กับควายไหมทำไมชาวนาสอนควายไถายนาได้อ้าวทำไมทำไมด็อกเตอร์สอนสองคนเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องมันยิ่งเรียนยิงโง่ใช่ไหมนี่แหละคำตอบว่าทำไมเอื้อเฟือเผือ่อแผ่และความเที่ยงธรรมจึงต่างกันหมดเลยหายไปหมดเลยเพราะความอยากลุก ทำไมคนเราเกิดมาถึงต้องใช้คําว่ารวยจนและทําไมคนรวยถึงเกลียดคนจนหรือคนที่ไม่มีจะกินเพราะคนรวยเนี่ยกลัวจนเขากลัวมากเขาถึงหนีความนจนเขาต้องขยันหานะเขาถึงรวยไงเขาไม่ได้รังเกียจคนจนนะเขารังเกียจความจน อย่างคนจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาหนีมาจากประเทศจีนจนมากเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีจะกจินคือไม่มีจะกจินนะประชากรมันเป็นพันล้านหรกของเราแค่ไม่ถึงร้อยล้านหกสิบล้านเขาเป็นพันล้านนะเขาหนีมาเนี่ยนะเขามาเป็นกรรมกรสุดท้ายเป็นเท่าแก่หมดเขาไม่ได้รังเกียจคนจนเขากลัวความจนมันก็เลยขยันมากกว่าคนอื่นไงมันก็เลยรวยได้แต่ว่าสําหรับพ่อครูแล้วเนี่ย จนแปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกขรวยแปลว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขเพราะคูรวยแล้วเพราะคูไม่ได้ไสุขเลยรวยไม่ได้แปลว่าสุขรวยเพราะว่ามีเยอะแต่มันไม่ได้แปลว่าสุขจนแปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกเห็น ไ, ไหมคนอีสานเราคนชนบทเราสมัยก่อนจนหมดแล้วแหละแต่เขาไม่ทุกขนน์อยู่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวไม่มีสตังเพราะคูย้ายมาใหม่ๆ อยู่ในหมู่บ้านนี้เพราะกูนั่งเรือข้ามมาไม่มีถนนเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีสะพานข้ามตรง น, นั้นมาหมู่บ้านใหญ่อยู่ข้างนอกเพราะกูนั่งเรือจากบ้านบากชุมเข้ามาตรงนี้มาอยู่กับที่นี่สิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้านะมีความสุขมากตอนนั้นปลาฉโดอยู่ในเขื่อนลูกนะพ่อครูยืนมาเนี่ยังเตี้ยกว่ามันนะขับแขนมันไว้ปลาฉโดตัวบกใหญ่เลยถ่ายรูปไว้นะ ตอนนี้ศูนพันเลยห็นมศูนย์พันหมดเลยเพราะมนุษย์เร า, นา <S <S เนี่ยปราเกี้ยงเลยเห็นมมันกำลังออกลูกยังไงเอาแม่มันตาเอา ม, มันเดินลูกมันก็เป็นเหยื่อปลาต้นศูนย์พันละความสมบูรณ์อยู่ในในใ น, ในเขือนมันหายหมดเลยสมัยก่อนพวกเราอยู่ในริมเขื่อนนั้นแหละพอน้ำลดต่อผุดเห็นไมตอนนี้ไม่มีต่อผุดแล้วตัดเกี้ยงเลย ไม่มีต่อผุดแล้วเห็น ไ, ไหมิ่งไปพัทยาโคกเที่ยงอะไรเนี่ยนะถ้ามันไม่ตัดตอทิ้งมันก็เล่นเทสกีไม่ได้ไงพวกครูบอกพวกเรานะไม่มีใครรู้หรอกใครเป็นคนเริ่มต้นพัทยาน้อยใครรู้ไหมพวกครูทำความดีไม่ต้องบอกใครแต่เล่าให้เราฟังนะ พ่อครูเป็นคนส่งสอจอคนแรกของอัมพัวศิลอินทร์นะมันเรียกว่าหมอทวีรัตตอนนั้นเป็นหมออนามัยนนท์พ่อครูเลือกคนที่ชั่วน้อยที่สุดถามว่าหมออยากเป็นสอจอไหมสนใจไหมสนใจราวพ่อครูเสียเงินเกื อ, กอบสองล้านเนี่ยทําให้หมอวิรัต์เนี่ยเป็นสอจอแล้วฝากงานเดียวแกบอกว่าไปวิ่งเต้นกับผู้ว่าแล้วก็ เขื่อนซิลินทอรเนี่ยตรงนั้นทําเป็นพัทยาน้อยทําเป็นเมืองท่องเที่ยวนะทรัพยากรเรามีเรามีเขื่อนมันเกิดขึ้นจากเวลานั้นและตอนนี้เนี่ยสภาจังหวัดเขาก็มาพัฒนาคนหลายร้อยชีวิตได้ประโยชน์จากตัวนั้นจะไม่มีใครรู้นะวันนั้นพ่อครูแวบ ไ, ไปไปนั่งแเท่งกินข้าวนะพ่อครูไม่มีความปิติยินดีหรอกมองเห็นเออสิ่งที่เราทํามันเกิดประโยชน์อันนี้เล่าพวกเราฟังความสุขที่แท้จริงคือการ นะก็มันเป็นของคู่ลูกมันมีรวยก็มีจนมันมีดีก็มีชั่วมันมีขาวก็มีดํามันมีเย็นก็มีร้อนนี่เป็นของคู่แต่ของคู่โดยธรรมชาติมีอยู่แล้วแต่มนุษย์ไปสร้างของคู่ใหม่ว่าเฮ้ยมีเงินเยอะๆถึงจะรวยถึงจะดีนะเห็นมที่จริงแล้วคนที่เขารวยเนี่ยเขาจนมาแล้วเขาไม่รังเกียจคนจนแต่เขารังเกียจความจนเขากลัวมาก เขากลัวเขาไม่มีจะกินคนจีนถึงทุกคนมาเนี่ยจากเป็นกรรมกรเขาเลยเป็นเท่าแก่หมดแล้วตอนนี้คนเวียดนามเหมือนกันลูกเพราะครูมีเพื่อนคนเวียดนามในเมืองเยอะนะถ้าเราไปโรงเรียนเบนตอนนี้นะ่ะแถวนั้นเนะ่ยเขาเรียกว่ า, าพวกนิคมโยนเลยนะเพื่อนพ่อครูสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่เขาจนมากมีที่อยู่หลังบ้านแค่งานเดียวไม่ถึงครึ่งไร่นะหนึ่งในสี่ของไร่ เขาเลี้ยงเลี้ยงลูกเขาจนเจริญเติบโตเขาปลูกผักลูกแล้วก็เอาไปขายตลาดทุกวันพรุ่งนี้ก็เอาแปลงใหม่แล้วก็ปลูกแปลงใหม่แปลงใหม่เขาเอาขี้คนนี่แหละขี้ที่เขาขี้อยู่ในส้วม น, นั่นก็ดูขึ้นมามาแลม า, มาเลี้ยงผักเขาเนี่ยตอนนั้นน่ะคนเวียดนามเนี่ยไม่ให้ลูกไม่ให้ไปโรงเรียนลูกเขาเป็นประชากรประเทศสองเดินทางต้องขออนุญาตแต่พอเปิดเขาเสรีเมื่อไหร่ตอนนี้เขาเป็นเท่าแก่หมดเลยเพราะ เขาเคยลำบากมาแล้วเขาหนีมาประเทศเขาในเกิดศึกสงครามแต่เมืองไทยเราเนี่ยในน้ํามีปลาในนามีข้าวเราสบายจนเคยกินจริ ง, รงๆแล้วไม่ได้ผิดนะพวกคูชอบชีวิตแบบนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วเราเพราะว่าเราอยากได้มีของเหมือนเขาแต่เราทําไม่เป็นเราไม่มีความอดทนเหมือนเขานะอันนี้มันจะเปิดอาเซียนพวกคูจึงเป็นห่วงพวกเราไงนะนะเราจะเอาอะไรไปสู้มา ลาวก็เคยเกิดสงครามนะเขเคยลําบากมาแล้วเวียดนามก็เคยเคยพม่าก็เคยเขมรก็เคยมีเราประเทศเดียวไม่เคยมีความลําบากแบบนี้ต่อไปเราจะสู้เขาไม่ได้เวียงเสร็จแล้วทําไมผมต้องปวดหัวหนักมา ก, มากคนที่ถามนด้เคยคิดไหมเออนั่นแหละคือมโนกรรมมันก็ทําให้เราปวดหัวปวดยิ่งปวดก็ยิ่งเวียงยิ่งยิ่งเจ็บก็ยิ่งเวียง อย่าไปนหนีมันไม่มีผู้ใดหนีกรรมตัวเองพน้เนเราหนีมันวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้าใช้ในชาติหน้าผ่านไปปุ๊บต่อไปเราจะสบายนะบางคนเห็นไหมคนที่ปวดหัวคนเมื่อกี้นี่ถามว่าปวดคออ บ, บางคนปวดขาบางคนปวดแขนเห็นไหมมันปวดไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเราสร้างมโนกรรม เ, เราคิดเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่บนหัวยิ่งถ้าเวียง ยิ่งเบี่ยงยิ่งเต้นอยู่เนี่ยพอไปคิดปุ๊บมันจะดึงมาอยู่บนหัวหนักตึ้งเลยนะมันเตือนเราว่าอย่าคิดนะทำไมคนที่มั่งมีถึงต้องดูถูกคนที่ด้อยกว่าทําไมบางคนต้องคอยซ้ําเติมคนที่เดินผิดพลาดในชีวิตบางคนต่อหน้ายิ้มใส่แต่พอรับหลังกับนินทาเราทุกเรื่องทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคําตอบคือเขาไม่ม พรมวิหารเขาหายไปไหนเขาถูกความอยากครอบงำหมดความอยากที่ทำให้เราไม่มีน้ำใจเห็นไหมเอออิจฉาคนอื่นอย่าว่าจะช่วยเลยเรื่องอะไรจะช่วยมึงกูยังไม่พอเลยเห็นไมเพราะเขาไม่มีพรมวิหารนะเมื่อรักมันทําให้ทุกข์แล้วทำไมทุกคนต้องมีความรักจะบอกไหมว่าใครเป็นคนถามบอกไหม เก็บไว้ความลับดีกว่าเนาะรักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์เอา้าวันนั้นหลายปีก่อนมีภรรยาหมอคนหนึ่งมาที่นี่ยกมือถามรักกันมันจะไม่ดีอะไรบอกคุณรักคุณหมอไหมบอกรักรักสิสามีฉันถ้าเกิดคุณหมอถูกแย่งไปยังรักอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่รักเฉยๆนะแค่ น, นี้กูต้องชำระ สิบปียังไม่สายรักแบบนี้เหรอถ้ารักจริงๆนี่แฟนเราไปมีความสุขต้องอนุโมทนาสาธุต้องดีใจกับเขาสิเอาหมอลำมาเล่นมาถล้องกันดีไหมร <c oughs> ักประเภทไหนล่ะเออนี่ไม่ใช่รักนี้เห็ น, เ ห, นเห็นแก่ตัวนะเนี่ยเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตากับลูกนาเนาะที่พวกคูบอกรักพวกเราทุกคน อันนี้ภาษาพูดใช่ไหมล่ะพ่อู เ, เมตตาทุกคนถ้ารักมันเลือกที่รักมักที่ฉันรักที่ฉันรักเพเธอเป็นของฉันถ้าคนอื่นแย่งไปกูเลิกรักมึงแล้วกูจะฆ่ามึงด้วย <Okay. S 1> อันนี้ไม่ใช่รักจริงๆออันนี้เป็นความหลงนะแล้วคนคนนี้อีกพ่อกูลืมเขาเขาขึ้นบนเขาถามว่าใครเป็นคนที่ก่อให้เกิดคําว่าคุณธรรม เอาตรงๆก่อนภาษาไทยมาจากไหนใครเป็นคนสร้างขึ้นมาหลกยกม่ขึ้นใครตอบไดนะ้ใครเป็นคนตั้งภาษาไทยพ่อคุณรามคำแหงเป็นตัวทาให้หนังสื อ, อคาว่าคุณธรรมเกิดขึ้นคุณธรรมเป็นภาษาไทยแต่คุณธรรมจริงๆแล้วมันมีอยู่ตามธรรมชาติไม่มีใครให้เกิดขึ้นแต่ผู้รูจ้จไปตัรู้มาเมื่อวันแรกพ่อครูบรรยายอยู่แล้วว่า คุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติเห็นไหมครูคีนี่เกิดปีกระต่ายต่อมาใหม่ๆอยู่บ้านแหลมทองเนี่ยนะเขาก็ไปเรียนโรงเรียนบ้านแหลมทองพาลงที่นั่นเขเลี้ยงกระต่ายป่าแต่อยู่ในกรงเหล็กมันออกลูกมานะแล้วก็พอครบเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้คู่หนึ่งตัวพ่อตัวเมียให้น้องคีมาครูคีมาทําไมลูกก็เขาพาลงให้มา พวว่อครูเลยกัน้นตะแกรงเหล็กเนี่ยหนึ่งไล่นะพราะกูไม่ขังมันเพววื่อป้องกันหมาไม่ให้ไปกัดมันนะมันก็วิ่งเล่นวิ่งเล่นพราครูผิวปากก็วิ่งมาหามันสนิทแล้วก็เรามากนะพอผ่านผ่านไปผ่านไปหกเจ็ดเดือนนะไอไก้กระต่ายสาวตรงนั้นน่ะขนมันหลุดไปเป็นหย่อมๆพราครัวเอ๊ะมันก็ไม่มีแผลเนี่ยตัวพวกูกกัดขนมันหรือเปล่า มันไม่มีแผลนะลูกสักพักหนึ่งมันหายไปสองวันมีแต่ตัวผู้นะพวกกูก็เอาไปฉายไปส่องดูมันมันขุดลูขุดรูขุดลูเยอะมากลูกแล้วตอนนั้นเป็นหน้าฝนมันไปขุดลูมันเลือกรูที่อยู่ในใต้ชายคาเนี่ยกันฝนได้เนี่ยมันไปออกลูกนะพวกกูส่องไปดูไอ้ขนที่มันหลุดเนี่ยมันดึงดึงดึงขนใบปูให้ลูกมันนอนเห็นไหมตอนที่ผ่านงเลี้ยงเนี่ย มันขุดรู้ไม่ได้มันอยู่ที่กงเหล็กหรอกเขาเอาผ้าปูให้มันออกลูกพวกครูถามว่ามีด็อกเตอร์คนนึงมาถามพวกครูว่าพวกครูอธิบายให้ฟังหน่อยระหว่างความรู้กับปัญญามันต่างกันยังไงนะพวกครูเขาเรื่องกระต่ายสาวเนี่ยท้องแรกมาเล่ากระต่ายสาวท้องแรกเนี่ยมันไม่ได้ไปโรงเรียนมันไม่ได้ไปโรงเรียนนะมันไม่ได้ไปหาหมอมันรู้ได้ยังไงว่ามันตั้งท้อง มันรู้ได้ยังไงว่ามันต้องขุดลูมันรู้ได้ยังไงมันต้องดึงขนมันปูให้ลูกมันนอนคําตอบคือมันมีคุณธรรมมันมีคุณสมบัติตามธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตมันจําได้หมายรู้ว่ามันต้องทําแบบนี้เพราะว่าเอาล่ะมันไปเลี้ยงลูกด้วยนมมันเลี้ยงลูกก็ออกมามันก็ไปหากินยาเพราะคุณไม่ต้องให้อาหารนะแค่ไล่หนึ่งเนี่ยอาหารธรรมชาติมันก็เหลือเกลือแล้ว นะสักพักหนึ่งลูกมันเจ็บตัวก็วิ่งออกมาแต่ตอนนี้เด็กสาวเราเนี่ตั้งท้องไม่รู้บางทีต้องไปหาหมอถึงจะรู้วันคลอดสัครคาคดยาเรานี่หายไปไห น, นเห็นไหมแ ต, แต่กระต่ายมันรู้เพราะว่ามันไม่มีความรู้ผิดจิตมันยังสะอาดอยู่พวกเรามีความรู้ผิดความรู้ทึ่งแฝงด้วยโลภโกรธหลงเนี่ย ทำให้เราคุณธรรมคุณสมบัติตามธรรมชาติเราหายหมดถูกครอบงําหมดแล้วผู้เจ้าท่านบอกให้ขัดเกลาจิตให้ฟ่องใสที่เรารบังติบันโมฝุกนี่ไม่เวียงเนี่ยแล้วคุณสมบัติเรามันจะโผล่ขึ้นมาเขาเรียกว่าจิตสํานึกเรามีอยู่แล้วเนี่ยมันจะตื่นขึ้นตอนนี้สัญชาตญาณเราหายหมดเห็นไหมปลาเนืเ้อจืดมันทําไมไมันรู้ว่าต้องไหว้ทวนกะระแสลูกเห็นไหมทําไมไมันรู้ มันเป็นสัญชาตญาณไงญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอีตชาติมันจําได้หมายรู้ว่าต้องทวนกระแสถ้าเกิดมันมักง่ายเหมือนคนบางคนเนี่ยช่วงเรานั่งคุยกันอยู่นะมีคนกลุ่มหนึ่งมันวิ่งไปแล้วกลัวไม่ทันมันแล้วก็วิ่งตามมันไปกลัวไม่ทันไงเพราะมันมันตกเขวก็ตกตามมันแต่ปลามันไม่ทํานะปลามันทวนกัะแส เพราะมันมีคุณธรรมเพราะมันมีสัญชาตญาณแต่ถ้าจับมันไปโรงเรียนเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะมักง่ายมันจะตามกระแสมันจะกลัวไม่ทันคนอื่นไม่ไม่ทันแฟชั้นมันจะโง่โรงเรียนทุกวันนี้ไปสอนให้แต่เด็กเก่งสอนแต่เรื่องไอคิวนะก็คำถามรวมกันนะพระคุณรวมๆไม่มีหลายๆคำถามในนี่นะทำไมพระครูต้องมีเข้าค่ายจะเรียะทำคุณธรรม อันนี้คือมาปรับเรื่อง EQ เรื่อง EMOTION EMOTION คืออารมณ์อิโมชันดีท็ก็คือมาล้างพิษทางอารมณ์แล้วก็มาฝึกให้จิตเรามีกำลังปลุกจิตสํานึกที่เรามีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นปัญญาที่เรามีอยู่แล้วจะตื่นขึ้นมาควบคุมความรู้ที่เราเรียนในโรงเรียนที่ผ่านมาเน้นแต่เรื่องความรู้เรื่อง IQ แล้วความเก่งเนี่ย มาเอาเปรียบกันเนี่ยถึงคำถามว่าทําไมคนทุกวันนี้เนี่ยไม่มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะมันไปเรียนรู้เรื่องผิดถ้าถ้าฉันได้ก็ดีถ้าฉันเสียเปียกไม่ดีแล้วมันจะให้ได้หรือเปล่ามก็ให้ไม่ได้สิเห็นไหมพ่อครูก็เคยเป็นแบบนั้น เ, เราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ถ้าว่าพกก่อครูสร้างสมมุตินะมันก็ทํามาแล้วล่ะสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นลนุกเหนื่อยเหนื่อย กำลังลงไปนอนอยู่บนดาดฟ้าข้างๆมันมีร้อยชั้นนอนไม่ได้ลูกตัวสู้นไม่ได้กลัวมันจะดูถูกอย่าว่าแต่ว่าคนรวยมันดูถูกคนจนเนี่ยนะไม่ใช่คนรวยมันก็ดูถูกคนรวยนั่นแหละนะมันก็ดูถูกมึงเก่งไม่เท่ากูกูเก่งกว่ามึงกูรวยกว่ามึงคนรวยก็น้อยไม่หลับนะบางทีก็สร้างขึ้นมาอีกสร้างขึ้นมาถึงเก้าสิบเก้าชั้น อีกชั้นเดียวจะถึงมันแล้วแต่มันหมดแรงจริงมันเดินไม่ไหวจริงๆหมดแรงจริงๆสร้างไม่ไหวแต่ตายไม่ลงลูกเพราะว่ากลัวแพ้มันยังตายไม่ลงลยังเรียกลูกเรียกหลานเนยมาสร้างต่อกลัวมันไม่พุ่งมมบางทีสร้างไ่ทำไมเราก็ไม่รู้นะลูกพราะครูเลิกสร้างลูกพราะครูมาอยู่ชั้นล่างเพราะอยู่ชั้นสิบนะ วันไหนเราเมาเล่าหรือเราขาดสติตกลงมาก็ตายไงลูกมันสูงแต่มาอยู่ชั้นล่างเนี่ยเดินไปบางทีขัดขาตัวเองก็หัวเข่าแตกเฉยๆไม่ตายนะแต่ที่มหัศจรรย์คืออะไรรู้ไหมเรามีเก้าชั้นเป็นส่วนเกินให้คนอื่นมาอยู่ด้วยนะก็มีหมอคนกุ๊บหนึ่งมาถามว่าคูนั่นแหละมีหมอเข้ามาเยอะนะลูกเพราะว่าหลายๆโรคมหมอรักษ จิตรักษาได้หมอมาถามบอกว่าในพวอครูบอกหยุดแล้วไงหยุดชีวิตไงยังไม่ทำโน่นศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากท้องโรงเรียนพารานข่หนึ่งพารานข่อสองศูนย์ที่กรุงเทพอะไรเหมือนปากว่ า, าตาขยิบเหมือนว่าหยุดแล้วทําไมถึงทาพ่กครูก็บอกหยุดแล้วถึงทําหมอเขางงหยุดแล้วถึงทำถ้าพ่อครูไม่หยุดสร้างให้ตัวเองพ่กครูยังไม่พอ เพราครูจะมีเวลาที่ไหนเนี่ยมาทําให้กับคนอื่นนี่แหละคือคําตอบหลายคําถามว่าพ่อครูทําแล้วได้ไดะไนะได้ทํางได้ให้นะคุณธรรมนี่มันมีอยู่แล้วแต่ภาษาคําว่าคุณธรรมเนี่ยพ่อคุณลามเนี่ยสร้างภาษาไทยขึ้นมาไอ้ตัวภาษาคุณธรรมคําว่ารวยคําว่าจนมันถึงเกิดขึ้นจากตรงนั้นจากภาษาเราง น, นะที่จริงแล้วธรรมชาติไม่มีภาษา ชาวนาคุยกับควายภาษาไหนใช้ภาษาอะไรเห็นหมชาวนาคุยภาษาควายเป็นไหมต้นเป็นไหมาภาษาจิตไงบางทีเออเลี้ยงมันพานไปกินอาหารก็รู้โรักมันพอเราพามันทําอะไรก็ทําตามเราไงจิตสื่อจิตนะแต่ตอนนี้เอาภาษาสื่อกันเนี่ยด็อตอร์สองคนเนี่ยจบปริญญาเอกในภาษาศาสตร์พร้อมกัน ออกมาแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันทะเลาะบอแวงกันคุยกันไม่รู้ภาษาแล้วคุณจะไปเรียนภาษาทำไมเรียนให้ม you, ันคุยกันไม่รู rops, ้ภาษาตอนนี้พวกเราเป็นไหมกับเพื <S <S well, right. ่อนๆคุยกันไม่รู้ภาษาเป็นไหมครับถ้าคุยไม่รู้ภาษานี่อายนะที่เรียนมาทั้งหมดนี่ไม่มีประโยชน์แล้วเราเรียนภาษาทําไมล่ะเรียนคุยกันให้มันเรียนแล้วคุยกันไม่รู้ภาษายิ่งเรียนยิ่งเก่งต้องรู้จักใช้ภาษานี่มาสร้างประโยชน์ซิ เห็น <Hey S 2> ไหมด็อกเตอร์มันถึงฆ่ากันตายมันเอาจะเรื่องไอคอย่างเดียวนะอันนี้คือคําตอบว่าทําไมต้องมาเข้าค่ายทําไมต้องมาฝึกจรียธรรมคุณธรรมคุณธรรมจริงๆแล้วเรามีอยู่แล้วนะไม่ใช่พ่อครูสอนให้เรามีนะขอให้เราเหวี่ยงมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลายเป็นอีกคนละคนเราจะเป็นคนขลาดเราจะไม่เป็นคนโง่ <S 2> <S 2> <S <S พ่อครูครับทไม <S <S คนเราเกิดมา ต้องมีคู่อยากรู้ไหมใครเป็นคนถามเก็บเป็นความลับดีกว่านะี่ก็เป็นคําถามที่ดีเลยเพราะว่าเราก็เป็นชีวิตถ้าเราไม่มีคู่นะมันก็มีคําถามหนึ่งมันมั น, ม น, มนคู่อีกค่ะเอาตอไปด้วยกันก็ได้ธรรมชาติเป็นของคู่อยู่แล้วที่พ่อครูบอกพระพิฆเ้าก็ไปตัดสั้นรเรื่องของคู่พระองค์ที่บอกเดินสายกลาง ถ้ายัไม่อยากติดบ่วงเนี่ยนะถ้าเราติดดีเนี่ยเราจะหาว่าคนอื่นมันไม่ดีนะเราจะไปหลงดีเราจะหาคนนเราหาว่าเขาไม่ดีพุกเราเป็นคนชั่วละเราไปว่าเขานะถ้าไม่มีสกรปรกมันจะมีสะอาดไหยนะอย่างพวกเรามีชั่วโมงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในะเรามาถูพื้ น, นถูทำไมเอาความสกรปรกออกความสะอาดมีอยู่แล้วเต็มเปลี่ยน แค่ความสกปกออกมันก็สะอาจิตเราสะอาดอยู่แล้วจิตเรามีปัญญาอยู่แล้วแค่เอาความรู้ผิดออกเอาความโง่ออกความฉลาดมันก็แสดงดมันเป็นของคู่หลกของคู่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ผู้เจ้าชี้ทางบอกว่าเดินทางสายกลางนะเราไม่ปฏิเสธ ด, ดีกับชั่วเราแยกแยะได้แต่เราไม่เป็นจิต ด, ดีแล้วก็ไม่เป็นจิตชั่วเราทำแค่พอดีทำดีทำแค่พอดี ถ้าไปติดดีเมื่อไหร่เนี่ยคนอื่นเขาว่าเราไม่ดีปุ๊บเราก็ทุกข์แล้วเราไปติดดีเมื่อไหร่เราก็ไปหลงดีแล้วไปว่าคนอื่นไม่ดีเนี่ยแหละคนไปว่าเขาไม่ดีเนี่ยเป็นคนไม่ดีอย่างยิ่งถ้าคนดีจริงๆเนี่ยต้องไม่ไม่ไปว่าเขาม่แต่เตือนสติเขาบอกเขาด้วยความหวังดีไม่ใช่ไปถือโอกาสไปด่าเขานะมันเป็นของคู่ลูกไม่ต้องว่าทาไมต้องมีคู่นะทาไมคนเราต้อง รักษาศีลแล้วทําไมต้องเข้าจิตเพื่ออะไรเพื่อไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสยอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยมันชื่อว่าจิตเราไปนั่งสมาธิฝึกไปเพ่งมันเพ่งเมเพ่งมันนะไปส่องดูหน้าต่างมันก็ยังเฟื่อนเหมือนเก่าไเราต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตไปขัดเก่าจิตให้ป่องใสไม่ใช่ไปแค่ฝึกสมาธิจเจริญสติแบบทำทุกวันนี้นั่นแหละเข้าไปในจิตในจิต ไปล้างมันออกนะไอสัญญาฝ่ายไม่ดีเนี่ยไอพวกขยะต่างๆนะพวกกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยไปล้างมันออกนี่คือขัดเกลาจิตให้ส่องใสนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งหลับตาฝึกสมาธิจเจริญสติอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ใช่อันนั้นเป็นพื้นฐานของกรรมฐานเบื้องต้นส่วนปฏิบัติธรรมจริงๆนี่ยต้องเข้าไปในจิตในจิตไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแล้วก็ รักษาศีลก็คือว่าเมื่อจิตเรามันเปื้อนแล้วมันไม่มีศีลเราก็ต้องเอาศีลเนี่ยมารักษาก่อนมาเตือนเตือนสติเพื่อให้เราไม่ทําชั่วตอนนี้พ่อครูยี่สิบเจ็ดปีไม่ต้องถือศีลนะลูกพ่อครูไม่ต้องถือศีลพ่อครูกินข้าวมื้อเดียวนะไม่ใช่ถือศีลแปดศีลมันหนักพ่อครูเบี่ยงทิ้งหมดแล้วแต่พ่อครูไม่ทําชั่วแน่นอนจิตพ่อครูมันกลับไปสัมผัสว่าเดิมมันเป็นศีลอยู่แล้วศีลคือความปกัก เมื่อมันไม่มีความอยากแล้วแม้กระทั่งคิดมันไม่ต้องคิดเลยที่เราคิดเพราะเรามีอนาคตเราต้งคิดวางแผนเมื่อมันไม่มีอนาคตมันไม่มีความอยากแล้วมันไม่ต้องคิดนะแต่ถ้าเรายังไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาศีลนะเอาศีลมาเตือนเราว่าให้เหมือนเรารักษากฎหมายบ้านเมืองอยู่ถ้าลูกขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ไวเกินไปตำรวจเห็นมันจับไหมมันก็จับเราก็อย่าขี่ไวสิเพื่อไม่ให้มันจับนะเราก็ต้องรักษาศีลที เพื่อไม่ให้เราไปสร้างกรรมนะอันนี้คือคําตอบว่าทําไมต้องรักษาศีลทําไมต้องเข้าไปในจิตเพราะจิตมันเปื้อนอู่เข้าไปขัดเจาจิตให้โปร่ใสแล้วก็จิตสํานึกเดิมเราจะแสดงตัวปัญญาเก่ามีอยู่แล้วนะแค่เอาม่านมันออกลูกเยเพราะเราถูถูถูเนี่ยไอ้พื้นนี่มันสะาดก็เอาความสกรปรกออกแค่นั้นเองนะปัญญาไม่ใช่เราสร้างมันขึ้นมันมีอยู่แล้วจิตเรามีอายุหลายล้านชาติมันเป็นมาหมดแล้วมันเคยเกิดเป็นลูซีเป็น ยาจกเป็นเศรษฐีเป็นเป็นเทวดาเป็นเปรตอว่ากายมันเป็นสัตว์ทุกชนิดมาแล้วทําไมมันจะไม่รู้นะทําไมคนเราเกิดมาต้องใช้เงินซื้อของต่างๆนะมันเป็นสภาวะของสังคมมนุษย์ยุคนี้นี่เป็นวัตถุนิยมทุนนิยมถ้าไม่มีการซื้อขายผู้ผลิตนมันก็ไม่ได้ขายของมันก็ไม่รวยไงมันเป้าหมายคือสร้างทุน สมัยโบราณเราไม่ต้องซื้อหรอกเราไม่มีเงินไงสมัยก่อนไม่มีเงินนะนะเราอยู่ด้วยกันแบบเออฉันมีปลาฉันก็แบ่งเธอเธอมีมะละกอก็แบ่งฉันนะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าทุนนิยมมันสร้างระบบตลาดแล้วก็ปลูกฝังเรื่องค่านิยมเรื่องบริโภคนิยมให้เราเป็นผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ซื้อนะถ้าเราไม่ซื้อมันมันจะรวยได้ยังไงก็ไม่รวยนะอันนี้นะก็คือเป็นสภาวะของกะระแส ค่านิยมสังคมมันเปลี่ยนมันเป็นเรื่องทุนนิยมทำไมคนเราเกิดมาต้องฆ่ากันเห็นไมทำไมต้องฆ่ากันเพราะความอยากอยากชนะกลัวแพ้นะอยากได้เปรียบอยากได้ของเขาไปพ้นค่าก็เอาผู้เจ้าบอกแล้วว่าต้นเหตุของทั้งหมดคือตัวตัณหาคือตัวอยากตัณหามาจากไหนจากเรารู้ผิดทาสานอยากได้รถเ้นซ์ไม่์ลุกต้น คาซาอยากได้รถเบนไหมทำไมลูกเพราะมันไม่รู้รถเบนคืออะไรใช่ไหมเออบอกเขาไปทำไมไม่รู้นะเพราะครูเล่าอะไรให้ฟังมีเศรษฐีคนหนึ่งขับรถราคาสี่ห้าสิบล้านวิ่งมาเร็วมากบังเอิญแว บ, บเดี๋ยวไปเห็นพระธุดงค์รูปนึงเนี่ยเดินไม่มีรองเท้าเดินอยู่ไหลาทางซึ่งเป็นลูกหลัง เศรษฐีเกิดมาไม่เคยถอดรองเท้าเดินสงสารน่าจะเจ็บมากเลยหัวก็โลนโลนแดดก็ร้อนรอนไม่มีร่มคงร้อนหน้าดูเศรษฐีสงสารพระธุดงนะทีนี้พระธุดงบวชมาตั้งแต่เป็นเนนนะจนเป็นพระเกิดมาไม่เคยนั่งรถติดแอร์เลยเห็นรถติดแอร์เศรษฐีปิดกระจกหมดเลยเนี่ยอคงหายใจอึดอัดหน้าดูพระธุดงกสงส็สงสารเศรษฐี มันคงหายใจไม่ออกพระธุดองก็สงสารนะวิ่งเร็วๆอย่างนี้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พระพระธุดองสงสารเศรษฐีห่วงเศรษฐีมากถามว่าระหว่างพระธุดงงเกษตรีเนี่ยใครร้อนใครเย็นใครตอบได้ใครร้อนใครเย็นฮเศรษฐีร้อนเปิดแอร์เย็นทําไมมันร้อนละ่ะร้อนใจเศรษฐีขับช้าได้ไหมไม่ได้ มีมิ팅งต้องประชุมไงถ้าไปไม่ทันผมเนี่ยเสียผลประโยชน์ห้าล้านสิบล้านเปิดแอร์แต่ร้อนมากเห็นไหมแอร์มันเย็นแต่ข้างในมันร้อนแต่ผ้าทุดงเนี่ยเดินไปไเรื่อยเรื่อยมันลดขายโอคงถึงก็อช่างไม่ถึงก่อช่างเห็นไหมเย็นใจเลยมันนุง่งเย็นใจเห็นไหมเนี่ยสุขกับทุกเป็นเรื่องของใจไม่เกี่ยวกับเรื่องมีไม่มีนะให้เราเข้าใจนะ ต่างคนต่างสงสารกันนะพระทุดงก็สงสารเศรษฐีขับไปเลยอย่างที่ะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะปิดกระจกหมดคงไม่มีอากาศหายใจนะสงสารเนาะพราครูมาใหม่ๆลูกน้องดอนกับ น, น, น, น้องคีนะตอนนั้นน้องขีอายุสองขวบกว่าน้องดอนหกเดือนนะเอ่อ มาเห็นที่นี่โอ้ยเปือเป้อนเือนอะไรก็เปืออเปอเป้อนหมดน้องขี่เปื้อนเปื้อนหมดแต่ไปอยู่ไฟปีหนึ่งเผลอปุ๊บไม่ใส่รองเท้าแล้วลุยโคลนใหญ่เลยเห็นมญาติธรรมเคยซื้อเลยลูกเขาไม่เห็นเด็กที่นี่เดินรองเทา้าเท้าเปล่าเนาะเขาเคยเคยซื้อรองเท้ามามาให้เหมือนใส่วันเดียวปุ๊บหายหมดพวกผมไม่ต้องซื้อมาเขาว่าทำไมเนี่ย ไอ้ยี่ห้อพวกนี้มันไม่ดีหรอกที่ซื้อมาน่ะมันใส่แบรนด์เนมยิ่งกว่าแบรนด์เนมเนี่ยมันใส่ร อ, องเท้าหนังแท้ยิ่งใส่ก็ยิ่งหนาไม่มีวันสึกนะเห็นไหมเหย็บหินเหยยบอะไรก็ไม่เจ็บไอ้แบรนด์เนมเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่เดือนก็พังอีกปล่อยเขาเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันเคยชินไม่เหมือนกันถ้าคนไม่เคยถอดรองเท้าค น, นเมืองนี่ยเขาเจ็บมากนะเขาทุกข์ทรมานมากนะเห็นไม แต่คนบ้านเราเนี่ยมันใส่รองเท้ามันทุกข์มากมันลำคานไงเด็กๆปุ๊บหายแล้วรองเท้าเหวี่ยงทิ้งนะเห็น ไ, ไหมเขาใส่หนังแท้นะไม่มีวันสึกนะยิ่งใส่ก็ยิ่งหนานะบางครั้งอย่าไปเหื ER ่อเขามากลูกนะเอาแบบเรานี่แหละทําไมพ่อครูถึงจัดตั้งโรงเรียนศูนย์บาลานคอยทาไมพ่อครูถึงต้องรักพวกเราทุกคนนะ <c oughs> ก็พก่อครูลักชาติไง พวกเราเยาวชนเยาวชนเคือนอนาคตของชาติสร้างชาติสร้างเยาวชนเยาวชนชาติไม่ใช่แผ่นดินเท่านั้นเองนะถ้าแผ่นดินนี้ไม่มีคนอยู่เลยเขาไม่เรียกว่าชาตินะแผ่นดินนี้ก็ต้องมีคนอยู่ถ้าคนในชาติเนี่ยสมบูรณ์แผ่นดินก็สมบูรณ์คนในชาติเป็นคนดีแผ่นแผ่นดินก็ประเทศชาติก็ก็ดีอันนี้คือคำตอบนะที่พ่กครูทาเพื่อนักเรียนทุกคนพ่ครูได้อะไรไหมคะ ได้เต็มที่อะไรหลือได้ให้นะพ่อครูได้ให้นะพ่อครูมีแรงบันดาลใจอะไรไหมคะถึงได้จัดตั้งศูนย์ประเด็จพระธรรมศูนย์พระลานคอยก็ประสบการณ์พระครูสีสิปีเราไม่เข้าใจว่ามีเงินแล้วเราก็จะมีความสุขหลังจากพระครูนั่งระเบิดแล้วเนี่ยพ่อครูเห็นม่า ไ, ไม่ใช่ความสุขมันอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจนะก็ เลยตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นนะให้เรามีโอกาสพัฒนาจิตความสุขความทุกข์มัได้อยู่ที่วัตถุนอกกายนะวันที่เราตายแล้วลูกเขาเอาไปเผากลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินเป็นขี้เถ้าแล้วก็ไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะเราเอาอะไรไปได้ไหมสลึงนึงก็เอาไปไม่ไดู้ เห็นไหมเวลาเราเกิดอาศัยท้องแม่เกิดมาเนี่ยเรามาตัวเปล่าเสื้อผ้าก็ไม่มีเวลากลับไปเราจะแบกรถวนแบกนี่ไปได้ไหมธรรมชาติบอกอย่าค้ากำไรเกินควรมาตัวเปล่าต้องไปตัวเปล่าเห็นไหมเราแบกแคก่บุญกับบาปไปเท่านั้นเด็กอย่างอื่นเราไปไม่ได้มีเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้เนี่ยพ่อคูไปเจอตรงนั้นระเบิดที่อเมริกาพก่อคูถึงมาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่ลูกพก่อคูเป็นเศรษฐีตัวจริง ตอนอยู่อเมริกาพวกคูเป็นแค่คนรวยเงินเยอะมากแต่ไม่มีเศษส่วนเกินที่ให้เขาตอนนี้สังคมไทยมีคนรวยเยอะมากลูกแต่ไม่มีเศษฐีเพราะมันยังไม่พอไง น, นะอินเดียเขามีเศษฐีนะลูกเพราะเขายังมีศาสนาทุกศาสนาเน่ยสอนให้เขานั่นก็ปีก่อนลูกบริษัทหนึ่งมันค้ากําไรได้ถึงคิดเป็นเงินไทยสองหมื่นกว่าล้านบาท เจ้าของบริษัทเนี่ยมันบอกว่าไม่ใช่ฝีมือมันฝีมือพนัก ง, งานหมดมันซื้อรถเก๋งแจกคนละคันซื้อคอนโดแจกคนละห้องเห็นไหมนั่นเขาเป็นเศรษฐีแต่บ้านเรามือยาวสาวได้สาวเอารวยเท่าไหร่กูก็ไม่พอคนจนไม่กินไม่มีกินจะกินช่างมือพวกครูยี่สิบเจ็ดปีจึงมีเป็นเศรษฐีตัวจริง มีส่วนเกินให้ทุกวันสมัยก่อนเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเราเป็นแค่คนรวยเราไม่ใช่เศรษฐีพ่อครูทำไมไม่ให้ขี่รถมาโรงเรียนทุกวันนี้เราเดินไปโรงเรียนไหมแล้วก็ขี่รถไปโรงเรียนอนะไรอะ หรือเราหอไปพราะครูเข้าใจอยู่นะหนึ่งต้องเข้าใจนะลูกเพราะครูไม่อยากจะสร้างให้มีความเหลื่อมลำ้ำแล้วก็ไม่อยากให้เราเนี่ยไปเป็นทาสของวัต ถ, ถุมากนละการขี่มาโรงเรียนเองเนี่ยมีช่วงหนึ่งลูกระหว่างทางจากโนนกอบไปถึงโรงเรียนด่านเม่น มันจะมีวัยวะชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาดื้อมากถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยถีบเราล้มเลยเนี่ยะแล้วก็มีหลายคนโดนนะลูกแล้วทีนี้บางคนขี่มันไม่ถึงโรงเรียนไงมันเลยโรงเรียนเข้าป่าไป <c oughs> มันหลงทางลูกแล้วทีนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์มันกินญ้ากไหมมันกินอะไรลูกมันกินน้ํามันน้ํามันได้ฟรีไหมก็ต้องเสียงเงินอีกนะลูกนะ เอาละมันเหมือนไม่อิสระหน่อยหนึง่งจริงๆแล้วเนี่ยนั่งรถโรงเรียนอิสระนะขี่มออร์ไซค์เองไม่อิสระนะกลัวนอนกลัวนี่ยังต้องลักต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องดูทางนะอันนี้เรานั่งอยู่ในรถเรานี่อิสระมากเลยนะเห็นไหมคําตอบก็คือว่าไม่อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยมีภาระเรื่องนี้นะถ้าทุกคนมาโรงเรียนเองได้นโรงเรียนยิ่งสบายนะพราะครูอบอกแล้วว่าสองโรงเรียนนี่ พี่ปอเป็นคนคุมเรื่องรถเนี่ยนะยอดจ่ายค่ารถเนี่ยเราก็เอารถที่หมู่บ้านบ้างรถเราบ้างรถอะไรบ้างเนี่ยก็จ้างให้เขามีรายได้ลูกมีโรงเรียนเดียวนะลูกพราะปิดเทอมสองเดือนเนี่ยรถที่เราเช่าเขาเนี่ยัยงยังมีรายได้ทุกเดือนเห็นไหมไม่ใช่แค่อะไรเราแก้ว่าเออเพื่อให้เขาอยู่ได้นะแล้วเขาดูแลลูกหลานเรามาสมโรงเรียนเพราะาเราไม่ได้ค้าขายถ้าพ่อกรูค้าขายพ่อครูต้องตัดค่าใช้จ่ายนะ เธอต้องมารเรียนเองนะอาหารกินเองอะไรเองเนี่ยเราก็มีเงินเหลือไงเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดอีกแบบนึงว่าทําอย่างไรไม่ให้ลูกหลานเป็นภาระไม่ให้พ่อแม่เป็นภาระทีนี้บางเอิญพ่อแม่บางคนมีกําลังซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกแล้วคนอื่นเขาไม่มีแล้วลูกมันสร้างความเหลื่อมล้านะอันนี้พ่อครูก็บอกว่าหนึ่งความปลอดภัยด้วยเนื่องจากเราเป็นยุวชนเยา ว, วชนยังเป็นเยาววัยนะลูก วิจารณยานบางทีเราแยกแยะถูกผิดไม่เป็นนะระหว่างทางปีหนึ่งเนี่ยลูกเราต้องเดินทาง200วันนะลูกปีหนึ่ง200วันนะพ่อครูลุ้นทุกวันพร่อครูบําเพ็ญเพียรทุกวันทําบุญกุศลทุกวันเนี่ยมีแต่แผ่เมตตาให้พระคุ้มครองพวกเราห่วงอะไรลูกเวลาเรานั่งรถกลับบ้านกลับมาเนี่ยปีหนึ่ง200อวันนะลูกแต่บังเอิญบุญกุศลที่พ่อครูสร้างเนี่ยก็ทําให้พวกเราแคล้วคลาดมาตลอด ไม่ใช่ว่าให้นอนให้นี่มผอไม่มันเพ่นเพียนทุกวันนี่แผ่เมตตาทุกวันเนี่ยให้บุญกุศลที่พรอครูสร้างให้คุ้มครองให้พวกเราปลอดภัยนะไม่เป็นไรน่ะอดเปรี้ยวกินหวานน่ะให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยไปขี่นะ่อยกลับบ้านก็ขี่ได้ไงลูกเนาะมาโรงเรียนอย่าเปลี่ยนอย่าแตกอย่าแตกต่างกับคนอื่นก็แล้วกันพ่อครูคะพ่อครูไม่เหนื่อยบ้างเหรอที่ทําให้แต่ประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ตึกถึงตนเองเลยพ่อครูไม่เหนื่อยลูกมีความสุขเห็นไหมพ่อครูคะทาไมโรงเรียนเราถึงไม่ไปแข่งขันนอกสถานที่กีฬากลุ่มหรือกิจกรรมต่างๆเราเคยส่งออกไปลูกแล้วก็ไปทะเลาะกับเขาแล้วพ่อครูเป็นอย่างนี้ลูกพ่อครูทำอะไรเล่นๆไม่เป็นถ้าเราไปเล่นกีฬาถ้าเราเล่นจริงๆนะลูกไม่ใช่เราจะไปชนะเขานะ เราต้องเล่นจริงๆแล้วเราไปปุ๊บเราประเมินตัวเองว่าเออเราเร า, เราเก่งจริงๆนะเราก็ทำแค่าทาเล่นๆเฉยๆเนี่ยเพราะคูไม่เป็นคนไม่ชอบเล่นถ้าไม่พร้อมอย่าทําแล้วตอนนี้หลายๆแห่งเขาไม่คิดเหมือนเราหรอกการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกนะครูเราก็ไปทะเลาะ ก, กับเขามันหาว่าเราเอาเด็กโง่ไปไปแข่งประมานอะไรเนี่ยเนาะ <laughs> พวกครกูจึงบอกว่า <laughs> พวกเราเล่นกันเอง ไม่ต้องแข่งกันเองนะแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกจะทำให้เราไม่มีเอื้อเฟื้อเผื่อใจนะกีฬาเป็นยาวิเศษแต่ตอนนี้เป็นยาพิษหมดแล้วมันแข่งเพื่อเอาชนะไงชนะก็ดีใจแพ้มาตีกันฆ่ากันฆ่าตัวตายก็มีมันไม่ใช่ยาวิเศษนะเราเล่นกีฬาเนี่ยเล่นเพื่อให้มันเป็นยาวิเศษนะให้ร่างกายจิตใจเราแข็งแรงแต่ถ้าไปแข่งเพื่อเอาแพ้ชนะุบเนี่ย มันก็เกิดความเครียดพอแพ้มาก็ไม่พอใจพอชะนะมาก็ดีใจนะก็ได้อีกคำถามหนึ่งเนาะทำไมเกิดมาแล้วต้องตายทำไมเราต้องเกิดมาจนด้วยทำไมเกิดมาต้องมีคนสวยคนที่เลว นี่แหละมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาที่ต่างกันก็ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกหลวงพ่อเจ้าไปตัสุดูทะลุพวงเราลึกชาติพ่ะกูก็เห็นนะเออชาตินี้เราทําตรงนี้กรรมดีตรงนี้มันส่งผลตรงนี้ชาตินี้ทำำํากรรมดีเออทำกรรมชั่วตรงนี้มันส่งผลตรงนี้ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเกิดขึ้นเลยลอยอ่าธรรมชาติไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังนะลูกไม่ใช่โยมพบาลเป็นชนกนําหนดให้เราเป็นอย่างนี้นะ กรรมที่เราสร้างลูกเป็นตัวกาหนดนะแล้วตายเราไม่จบลูกมันส่งผลถึงอนาคตชาตินะมันก็ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งลูกฝาแฝดเกิดมาพ่อแม่เดียวกันมันยังไม่เหมือนกันทำไมคนนี้เกิดมาอยู่ในฐานะที่พ่อแม่นี่ยไม่เดือดร้อนคนนี้เกิดมาพ่อแม่เดือดร้อนนะไม่ต้องไปโทษใครลูกนะยินดีที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็สร้างกุศลให้ตัวเองมากขึ้น ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอเอาชาตินี้ถ้าเราขยันเราก็สำเร็จถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่สำเร็จกรรมคืออย่างนี้ลูกการกระทำเรายกหนักไหมลูกให้ยกเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ไหมมันหนักไหมจะทำให้มันเบาทันยังไงวางนี่ยากไหมแล้วทำไมไม่วางกันเอ้า ไม่ต้องเรียนเลยนะลูกนี่ผู้จะไปจดสรสู้สิ่งนี้คือกรรมเรายกเราก็หนักระวังเราก็เบาเราทาสีขาวอยู่เนี่ยเราจินตนาการว่าเฮ้ย mm hmm. พรุ่งนี้มันแห้งแล้วมันจะเป็นสีแดงสวยงามมากได้ไหมคุณทำอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นคุณคือสิ่งที่คุณทำถ้าคุณคุณพูดเพราะกับเขา mm hmm. นะเพราะ็ขรับผิถ้าคุณไปพูดไม่เพราะกับเขาเขาก็เกลียดคุณ น, นี่คือกรรม ไม่ใช่กรรมเป็นแบบเรื่องเลื่อนน้อยไม่ใช่หรอกเราทําอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้จิตเราก็บันทึกไว้ด้วยเราตายแล้วไม่จบนะไปเผาแล้วเออเผาแล้วฉันเป็นนิพพานแล้วจบแล้วฉันไม่อยากเกิดอีกแล้วได้ไหมไม่ได้ธรรมชาติบอกอย่าค่ากําไรเกินควรมันไม่ยอมนะอุ้ยเบื่อมากฆ่าตัวตายจบฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นกรรมแรก นะวันที่ร่างกายมันตายวันวันเป็นวันที่จิตเกิดใหม่ทันทีเลยและ ก, กรรมที่เราฆ่า ต, ตัวตายเราต้องไปตายโหงอีกห้าร้อยชาติอย่าคิดว่าตายแล้วจบนะพาะครูสมัยก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ไรสาระแต่หลังจากเรามาตรงนี้แล้วเราเห็นไงลูกปวดแห่งกรรมจริงนะไม่ต้องรอชาตินานะชาตินี้และตอนนี้นี่สังคมมันอันตรายมากลูกพก่อครูห่วงพวกเราห น, นึง่ง ยาเสพติดต่างๆโดยเฉพาะพวกเพศ ช, ชายเราเพราะครูเคยเป็นผู้ชายพราะคูสิ่งมาหมดสิ่งมาหมดแล้วเหลืออย่างเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ทําก็คือลงมือฆ่าคนเองยังไม่เคยๆๆนะอย่างอื่นทํามาหมดแล้วสุดท้ายถ้าไม่ใช่บุญเก่านเนี่มันกระชาติพักคูออกมาจากวงจรนั้นไม่ได้ทําเรื่องไร้าสาลาะหมดบุญเก่าทั้งนั้นนะเพกกื่อนพักครูลุนเดียวกันที่สนิทกนนันตายไปแล้วสามคนสนิทกันมาก ทำไมมันตายลุ่มเพราะมันทํางานมันเครียดมานะไปเปิดห้องแอร์นะเล่นไพ่นกกระจอกกันนะไม่ได้สูบบุหรี่ทีละมวนนะสูบทีหนึ่งสี่มวนก็ไม่สี่มวนมันคนละมวนไงกูก็เป่ามึงมันก็เป่ากูก็สูดเข้าไปฮนะตอนนี้สามบัดนี้สามคนทั้งเป็นมะเร็งตายหมดแล้วมันรอดมาคนเดียวนะเพราะกูนี่ใช้ชีวิตตัวเองนีุ่เฟื่อยมาก บุญเก่านะ่มันส่งผลให้พระคูณออกมาจากตัวนั้นเห็นไมถึงบอกว่าบุญบาปมีจริงเราทำอะไรเราทรมานตัวเองงี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ไงเห็นไมเราทำความดีมันก็ดีไงแล้วาดสีขาวเราทาสีขาวมันก็ขาวไงเราทาสีดํมันก็ดำไงกรรมมันไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์นะคุณคือสิ่งที่คุณทำคนอื่นไม่รู้ผิตเราบันทึกไว้เรียบร้อย นะยี่เจ็ดปีพ่อครูเนี่ยเบิกบานทุกวันนะดานเน้นอยู่ๆปีที่แล้วก็ผ่านมาดีๆปีนี้พายุเอาโดมกูพังหมดเลยเยเ ม, มันได้หลายแสนพวกคูมีความจุขในการซ่อมนะไม่เห็นทุกเลยพ้มึงพังได้กูก็ทำให้มันดีได้ใช่ไหมไม่เห็นไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ค้าขายไม่ได้เรื่องกำไรขาด ให้อกาสซ่อมดีเลยลเออเขาเตือนเราเนี่ยไปเลยเพิ่มในครอกให้มันเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนั้นถ้าเกิดมันพังอีกก็ตัวใครตัวมันเ <c oughs> พเราสู้ธรรมชาติไม่ได้หรอกเราไม่ได้โทษธรรมชาติด้วยนะแล้ ว, ลวก็ทําไปลูกทีนี้พอพ่อกูไปทําปุ๊บเอออยายมากินข้าวงนอกก็ดีเนี่ยว่าเ้า่ไหนจะได้กว้างๆเอ้าต่อตรงนี้ออกไปอีกแล้วก็เด็กๆ มันสร้างอาคารจนไม่มีที่นั่งเล่นเขาก็จะได้นั่งเล่นตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวยนะเขาต่อเห็นไหมเขาก็ต่อเพลิงออกไปนะส่วนปฐมนี่เห็นบอกว่ามาเล่นกีฬาปุ๊บพี่ๆมัธยมแย่งสนามหมดเลยนะเราก็พยายามทําสนามให้เขาจนมันก็สร้างเพิงขึ้นมาบางินครูมาช่วยเราสอนไม่มีที่พักก็ เ, เอาสองห้องเป็นที่พักครูแล้วตรงกลางเนี่ยหลบแดดหลบฝนก็ไปทําตบปิ่นฟองให้เขาแต่เป็นต้องปิ่นฟองแบบสนามมีนะปิ่นฟองแบบ คนอนกีตนะถ้าปิงฟองสนามไม้เนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ถึงสองวันก็พังเนพราะเราลูกหลานทาสานเขาปิงฟองเขาให้ตีนะนี่ขึ้นไปขีบนะขึ้นไปกระโดดไปเหยียบมันเนี่ยนะแต่พอคูมีความสุขลูกพ่อคูไม่ได้เครียดนะมีแต่ว่าวเป็นห่วงพวกเรานะก็เข้าค่ายเที่ยวนี้พรอครูก็ขอบคุณทุกคนนะที่ทุกคนอยู่ในวินัยแล้วก็เปิดโอกาสให้พครูได้ ให้ธรรมทานเลยเพราะครูได้บุญมากเลยนะในวันนี้เนี่ยที่พวกเราเสียสลากยาลาให้พระครูได้ให้ธรรมทานได้มากน้อยแค่ไหนเอาไปใช้ลูกไอตัวไหนยังรับไม่ได้เอาทิ้งไว้ในศูนยอย่าแบกไปด้วยแล้วมันจะเครียดนะตัวไหนเอาไปใช้ได้เอาไปใช้แล้วจําไว้ว่าชีวิตพวกเรายังมีความหมายบางครั้งท้อใจเบื่อชีวิตนะเราไม่รักตัวเองก็ให้รักพ่อแม่รักประเทศชาติบ้าง นะมีโอกาสเกิดมาแล้วเนี่ยจ่ายหนี้กรรมมันให้หมดอย่าไปสร้างหนี้ใหม่ไปแบบตัวเบาๆนะถ้าบังเอิญบังเอิญชาติหน้าต้องเกิดอีกเนี่ยราจะได้เกิดในร่างที่สมบูรณ์ขึ้นนะแล้วก็พุกน้อยหน่อยหนะึ่งก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระสีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ปฏิบัติมาในคุ้มครองให้ลูกๆ ความสุขความเจริญสมปรารถนาทุกประการเอ